จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสิงภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกันได้เราก็จะไปกับสมาชิกประจำท่านแรกคือเด็กชายพีเคพีเค กรรมนามสการค่ะพระอาจารย์อะไรยังไงวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างลูกก็เล่าไปสิคะไม่ต้องถาม จ, าจา้าจ๋าแอยากเล่าเรื่องหนึ่งลูกเป็นเด็กดีไม่ใช่เหรอลูกเป็นเด็กดีครับดียังไงครับที่โรงเรียนฟังคุณครูค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่ทำไม่ดีใช่ไหมเด็เป็นเด็กดี จำค่าจำทำพอไม่ได้ทำอะไรไม่ดีใช่ไหมถึงเป็นเด็กดีไม่ได้ทำเลยครับเด็กดีต้องทำความดีเด็อันนี้ทำความดีอะไรบ้างก็าบ่าวอืมฟังคุณครูแล้วก็ทำตามที่คุณครูบอกครับพระอาจารย์อ๋ออย่างนี้ถือว่าเป็นเด็กดีก็เหรอดีแล้วครับพระอาจารย์โอเคสำหรับพี่เกก็ดีแล้วนะทำได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไม นี่ครับข อ, อนกันกสนนะคะพระ อ, จอาจ <laughs> ารย์ไปละค่ะหลูงก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์สวดมนต์แล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกเช้าค่ะเพราะว่ากลางคืนนั่งไม่ไหวค่ะอ่าก็ทําำท่าที่ทําได้ค่ะพระอาจารย์ทําได้เท่าไหร่ก็ดียิ่งดีทำได้มากเาไห่ยิ่งดี เมือ่อเช้าลองลองนอนสมาธิดูมันหลับค่ะ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเออน่าจะได้น่าจะได้นั่งอย่างเดียวถึงถึงถึงจะไังเข้าไม่เียว่านั่งสมาธิอนอนสมาธิค <c oughs> ่ะเห็นเห็นเห็นว่าจะบอกว่าอยู่ใน แต่สภาวะไหนหรือว่ากิริยาไหนก็ทาสมาธิได้ดูเลยลองนอนสมาธิดู ม, มันจะรับก็เลยคิดว่าไม่ได้ดีกว่าลุกขึ้นนั่งค่ะใช่ท่านนอนนี่เป็นท่าที่ถ้ามันจำเป็นจริงๆมันอย่าไปทำเพรนอกจากว่าไม่สบายลุกขึ้นมานั่งไม่ได้อย่างนี้ก็<ะ>ลองทำดูแต่ก็จะทำไม่ได้มากเพราะเดี๋ยวก็จะหลับใช่ค่ะพราะมัเป็นท่าสบาย อ่าตอนตอนนอนนี่ปกติคือนอนท่าไหนก็ได้หรือว่านอนแบบก็ถ้าสำหรับพระนี่ยเขาสอนให้นอนตะแคงขวาท่าศีหัสายาอ่าเป็นท่าราชสีเขาบอกเป็นเหมือนท่าเตรียมพร้อมที่จะเติรนขึ้นมาทันทีแต่ถ้านอนในท่าหงายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นท่านคนคนตายนอนนอนนอนแบบไม่เติร์นอ่ะ เมื่อเช้าลองนอนงานแล้วก็โอ้มันเหมือนจะหลับก็เลยลุกขึ้นเ อ, อนั่งดีกว่าน่าจะไม่ค่อยลุ่งกับท่านอนค่ะอข่ะพระอาจารย์จะให้ย้ำปฏิบัติให้ได้มากๆที่สุดค่ะพระอาจารย์ที่ถ้าทุกจิตค่เคยพระอาจารย์ถ้ า, ถาแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะอ่ะสวัสดีไปที่จะมากระจายที่ต่อเลยกลับมัสักการะพระอาจารย์ขขครัขขบมามา ครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอันนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ครับคุณแม่ป่วยครับ อ, อ่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าใช่ครับอยู่ที่บ้านครับ อ, อ่ดูแลคุณแม่ให้ดีนะครับโอเคอ่า OK ส่งกันบ้านเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้บ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา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 เราทั้งหลายคนพิจาจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธออย่าลืมนะครับร<ถ>่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยีนในกระดูกน้ำหัวใจตับผังพืดไตปอดเส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่ายันในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสร็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำขต่อคอน้ำมูดน้ำมูดน้ำขื่อคอน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหน่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็ดน้ำดียกในสมองศีรษะอาหารเก่า อาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตัดหัวใจม้ามเนื้กระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเ ล, ล็บขนหกมีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ไหมไม่มีครับร่างกายตัวเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมโลกทิพย์ครับอ่าอยู่โลกทิพย์เนะ่อยู่ควละ<น>ที่กับร่างกายนะ แต่สามารถติดต่อกับผ่านทางร่างกายได้เหมือนมีวิทยุติดต่อกันร่างกายก็ส่งรูปเสียงกลิ่นมาไปให้ใจที่อยู่โลกทิพย์ใจก็ส่งคําสั่งความคิดมาว่าให้ร่างกายไปทําอะไรให้กับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละโลกกันะนะเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจนะ ใจเป็นผู้ใช้ร่างกายน่างกายเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเป็นอะไรดโดรนเนี่ยใจเป็นคนคอยควบคุมดโดรนอีกทีหนึง่งนะครับเห็นไหมดโดรนนี่มีคนก็มีคนควบคุมใช่ไหมมันถึงจะบินได้ครับอนั่นแหละใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนคนกับดโดรนเนี่ยนะ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางกระแสจิตดังั น, ะ น, นใจต้องรู้จักแยกออกจากร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นร่างกายเพราะจะทาให้ทุกขนะ์ถ้าถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายใจไม่ใช่เป็นร่างกายอย่เป็นผู้รู้ผู้คิดนะที่ไม่มีวันตายนะร่างกายจะแย่ยเจ็บตายก็เป็นเรื่องของร่างกายไป ใจไม่ต้องไปทุกข์กับมันตที่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่ไม่แค่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ครับอืมไอ้ตรงนี้ปิดเทอมหรยังไม่ได้ปิดเลยครับยังไม่ได้ปิดเลยอ๋อเป็นปัญญาอินเตอร์เลยไม่ไม่ใช่ครับเป็นเขาจะไปปิดทีเดียวตอนเดือนธันวาครับเดือนธันวาแทนปิดปีใหม่ยังไงเลยใส่ก โอเคดีมีอะไรจะถามไหมไม่มีอลครับก็ขอให้คุณแม่หายเด็วนะครับโอเคเขอเทนนี<อ>่ก่อนครับฝากขอบพระคุณพระอาจารย์ครับน้องพีตา้ีงพีมีอะไรจะมารายงานหรือเ่าวันนี้อย่างนีพิาี ก, การพระสารนะครับรายงานนะคะ น่มามลเปิไไดไพ่อืมไม่ต้องพูดพูดอะไรตอนที่ฝันอะฝันเนี่ยฝันอะไรครับไม่ต้องพูดหลอกเรื่องแค่เรื่องฝันเอง <c oughs> เอะไรยังสมาธิทุกวันไหมไม่ค่ะทำไมไม่นั่ามา่วนมนต์เนาะค่ะเมื่อเช้า <Yeah. S 1> ไปโรงเรียนน่ะยืนสวดมอนต์อยู่หน้าประตูบ้านเ่ะยืนสวด <c oughs> ยืนสวนก็จะออกจะออกไปแล้วเราไม่ได้ยืนส่วนหน้าประตูบ้านก่อนไม่ต้องถอดรองเท้าก่อนรถมารับฮนะแต่แดงไม่ชอบสวนมนไม่ชอบนั่งสมาธิเลยแต่แดงเป็นคนด้อยวาสนาบาลมีนะคนไม่มีบารมีนะถ้าอยากจะมีบาลมีต้องชอบสวนมนชอบนั่งสมาธิโอเแต่เวลาให้สวนก็หมู ปวดตัวนกแก้วนกขุนทองผมปวดช้าๆหน่อยค่ะอ <c oughs> ยากจะอยากจะเป็นอะไรต่อไปโตขึ้นเป็นไรครับหลวงตาถามโตขึ้นเหรอครับโตอยากเป็นโอเคเมอร์โอเคเมอร์อเเถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าง่ายป่าโปรแกรมเมอร์ก็สเตมเมอร์ครับสแกมเมอร์สตม <c oughs> สตมเมอร์อมเมอร์ไม่ใช่สแกมเมอร์นนะสแกมเมอร์ไม่ดีนะติดคุกติดตารางมาบอกให้รู้่อนอันนี้มันเมื่อวานนี้เขาทำงานเสร็จแล้วไปที่โรงเรียนโหคุณครูเล่าให้หลวงตาฟังก็ได้อันนียที่เอางานส่งชม ทุกคนเลยครูแย่งแย่งตัวกันใหญ่เลยครูแต่ละทั้งครูต่างชากครูไทยจะแย่งตัวให้ไปไปงาน o p เ n h o เ s e ส์ไปเป็นเอ็นเตอร์ใช่ไหเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไ้ยใช่ค่ะก็ช่วยตั้งสามปีแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ฮ่องกงแต่ปีนี้เขาก็ทางทางพวกไซแอนอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะดึงตัวไปก็ดี อ่า้างก็ต้องเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วยนะคนดีไม่โกหกคนดีไม่โกหคนดีไม่ไม่ขโมยของคนอื่นค่ะอ่คนดีไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นยังว่าคนอื่นเยอะเปล่าว่าครับอย่าไปว่าเขาเลยไม่ดี ถ้าเขามาว่าเราบ้างเรารู้สึกยังไงค่ะอย่าไปว่าผู้ื่นอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปตีเขานะอย่าไปตีใครเราต้องเ ป, เป็นคนดีไม่ใช่เก่งอย่างเดียวอีไหมลูกคะเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยเราจะได้เอาความเก่งมาทำมาช่วยเหลือคนแต่ถ้าเราไม่มีความดีเราเอาความเก่งไปทำร้ายผู้อื่น ได้ไหมค่ะอืมก็ดินดอนเพื่อนป้ายตลอดอะ่ะค่ะเขาก็เลยก็เลยต้องว่า ก, กับแต่หนูก็บอกว่าเหมือนที่หลวงตาสอนน่ะเขาเราเป็นหมาหรือเปล่าเห่ามาก็ไม่ต้องเห่ากับเองเราดีกว่เขาเราต้องไม่ทำร้ายเขาเขาจะเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาไม่ใช่เอาความไม่ดีของเขามามาเป็นเห็นให้เราเป็นไม่ดีไปกับเขาด้วยได้ไหมค่ะอืม โอเคมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีก็พยานสวดมนต์นั่งสมาธินะเป็นต่อจะจะช่วยหนูประดิษฐ์ของได้เก่งขึ้นมล้วไหมการสมาธิประดิษฐ์ทีไม่ขึ้นบ้านเลยค่ะกระจายไปหมดไปต้องเดินไปตรงไหนเลยมีแต่สายไฟกับกันไกลสก๊อตเทปดินน้ำมันกระดาษา <c oughs> หนูในตามเก็บจนมึนหัวไปหมดเลย กระจายทั้งหน้าบ้านหลังบ้านให้ทําทุกที่บอกเอาสักที่ลูกแล้วก็ทาหมูให้เก็บนะแต่ก็ดีค่ะบ อ, อกเก็บต้องเรียบร้อยด้วยทำอะไรต้องเรียบร้อยสะอาดอไม่เล้เทะไม่สี ก, กระปกหนูว่าจริงๆแล้วเขานั่งสมาธิจริงๆแล้วเขานั่งได้ถ้าเขาตั้งใจเขานั่งได้นานนะ ที่ที่เขาเคยนั่งนะค่ะเพราะเวลาเขานั่งทํางานเนี่ยคือทั้งวันก็นั่งอยู่นิ่งๆอยู่นั่นทำได้ทั้งวันไม่ไปไหนเลยปวดหลังมากๆเลยนะใช่พี่หนุ่มนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นนั่งบนเตียงก็เป็นค่ะแต่นั่งทำอะไรไม่เป็นนะครเท้าแบกเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเท้าเขาแบกนะคะกระดูกมันก็เลยแบกไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อแต่ตอนนี้ยังปวดเลย นั่งคืนนานบางทีก็ปวดทั้งวันโอเคเอา่าตอนนี้ก่อนนะไม่มีอไรอ่าขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะคะสาทุจ้ ะ, อ, จะอ่าจะไม่ได้ชื่อเดียวุนฝนและน้องทิมน้องทิ ม, ทมกล่าวธรรมสกานค่ะพระารอาจารย์ <c oughs> มีอะไรมีอะไรมารายงานนั่น้องทิมวันนี้ นัส่สมาธิได้พออได้เท่าเดิมครับครั้งหนึ่งได้ไดกี่นาทีก็เกือบเกือบสิบนาทีครับมันเดินครับเกือบๆก็พยายามรักษาไว้อยากให้มันน้อนะบางที่็ได้สิบนาทีครับอยาให้น้อยกว่านี้นะครได้เท่าไหรก็ต้องรักษ า, วกาวๆๆไว้รักษาสติไว้อแล้วก็ทําลายสติเก่าให้ได้ต่อไปอห่าง่าก็กสิบเอ็ดนาทีครับ อะไรก้าวหน้าไงได้ครับอืมแม่นั่งมีความสุขไหมมีคนก็รู้สึกปกติครับเนี่ย่วนชูวนั่งดูดูหนังไม่ได้นะไม่ได้ครับเนี่ยนดูหนังสนุกกว่าครับสนุกกว่าทำไมมันถึงสนุกกว่าชอบมากกว่าครับอ๋าชอบดูหนังไม่ชอบนั่งสมาธิ บุญเก่าไม่เคยมีต้อมาสร้างบุญเก่าต้องมาสร้างบุญใหม่แม่ะอืแม่แม้ต้องพยายามช่วยให้สร้างต้องจิินบนค่ะอาจารย์ก็ดีพยายามดึงเข้าไปในทางที่ดีสะสมยอดได้เท่าไหร่นะลูกล่าสุดสองเดือนพันห้าพันห้าเงินนะก็สองแต่สมาชิกได้กี่ตัง ยีสิบาทครับยี่สิบบาทไ่น่าถึงนั่งทั้งวันโอเคเกิดทุกครับถ้าวันไหนไม่ได้นั่งก็ไม่ให้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องติกเอาก็ต้องแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์จนแบบเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบคืออย่างที่บอกก็คือเป็นรูทีนไปแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือคือเขาคงมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วจเาเงินไปทําอะไรเออเออก็บไวครับ เอาไปทําบุญดีไหมเอาไปให้คนยากจนดีไหมให้เพื่อนยากจนที่เขาไม่มีเขาไม่มีเงินซื้อขนมกินเอาไปเอาไปซื้อขนมไปแจกเพื่อนดีไับอาจจักครับถต่มันต้องอาจจักด้วยละ่ะยังเสียดายเลยครับ <laughs> แต่ว่าินก็ทํานี่ค่ะคือเคอแต่เขาเป็นคนมีมีมีชอบทําทานนะคะอาจารย์อย่างโรงเรียนมีงานนะคะหนูก็ไม่รู้อค่ะพอดีหนูใส่เงินในกระเป๋าให้เขาแบบเหมือนเป็นเงินสํารองอะค่ะอยู่หนึ่งร้อยบาทเป็นเป็นเป็นเงินสํารองอะค่ะแล้วเขาก็พอดีเจอมีงานที่โรงเรียนล่าสุดแล้วเขาซื้อสลากหนูก็นึกว่าสลากมันใบละสิบาทยี่ิบาทนะคะมันเป็นสลากใบละร้อยเขาก็เขาก็ซื้อนะคะอาจารย์เข า, าก็แบบ เอเขากลับมาเล่าให้หนูฟังว่าเออเขาได้เหมือนวันเนี้ยเขาได้ทําบุญด้วยนะม้าซื้อสลากร้อยหนึ่งได้ทาบุญคืนแบบว่าเขาไม่มเขาไม่คิดว่ามันแบบเออร้อยหนึ่งเขาซื้อมันก็คือหมดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าได้ทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับสลักได้ลดด้วยได้ได้ลดมาเขาก็จะเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยออมดีแต่เรื่องเจักเสียสลากแบ่งปันนะความสุขอยู่ที่การให้นะครับ การได้ไม่ไม่มีความสุขความได้จะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากได้มากขึ้นแล่พอไม่ได้ไม่ได้ทางใจอยากก็จะเสียใจแต่การให้นี้ให้แลามีความสุขใจจะไม่รู้สึกว่าอยากจะได้อันนู่นอันใดนี่มีความอิ่มใจมีความภูมิใจกระดับถอดรัดทำมุญใต้ทาน ก็ต่อไปนุ่มจะมีความสุขครับเค <Okay. S 2> เดี๋ยวกลับเล่นพระอาจาร์ว่าพอดีวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะที่บ้านเขามีไปไปเอาติ้งที่พัทยาพอดีค่ ะ, แ ล, ะแล้วเขามีโปรแกรมตอนช่วงเช้าเนี่ยเหมือนช่วงเช้าเขาจะไปที่ไปที่วัดยา น, นะคะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาเอ้ยเรากดเราไม่ได้กดนี่ลูก ออออก็เราจะก็เลยจะช่วงเช้าเขาไปถึงวัดยานประมาณตามโปรแกรมประมาณสักแปดโมงแปดมงกว่าค่ะพระอาจารย์ออก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่อาจจะได้พาครอบครัวพร้อมสามีด้วยอะค่ะไปกราบพระอาจารย์หลังจากที่พระอาจารย์บิณฑบาตกลับมาค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์จ้าเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงจังค่ะโอเคใครตายเด็กชายเนเนีเป็นชายเลน ลูกใครเด็กชายเล่นน้นนองลิ น, นมาแล้วลูกไม่เลยพ อ, อเนียไม่เรยพอขา่าเร่ะกลับเร็วกลับกับหลวงพ่อก่อนหพเก่งมากขาบพูดเนกับพระสงฆ์เาไม่เห็นอ่ะเอาเลย นาโมตัสสกะวัตตวอรหัต์ตัวสามาสัสัตวาโมตัสาักวัตวอรหัตวสามมาสัมพุทธันาโมตัสสกกวัตตตอรหัตัสามมาสัมพุทธสัตว์เออครับมีอะไรต่อมีอะไรต่อไมมีอะไรต่อไหมอ่ะพอลวมีอะไรต่ออรหันต์สาพดธวัตพูดทางว่าตังว่าเทมิอ่าสะว่า พ้าโตพคะ ว, วรรัสดธ์ท่านมาท่านมานามิามีสุปฏิปันโนพระสวัสดิ์สาวกวสังโฆสังฆนันามามิอิติวิโตพระกบาลังสัมมาสล้วพุทโธวิชาจารมังสัมปนโนทุกขโตโลกาวิชูอนุตตาโลกุลิสาธรรมังกีชาติสัตถ่าเทวมนุรรมสานะ พูดโทรมาควาติอ่าวอ่าต่อเลยมันตุศน์ในรายที่ข้าพเจ้าได้กระทำในข้าพเจ้าเผาอุทิศส่วนตัวส่วนนั้นเจะมนุษย์ุ์ทุกภาษาสั้งาแล็คซ์เออภาาทั้งหลายใพวกทั้งสามขวามนุษย์แล้วต่าังอันเป็นเพื่อนเเดี๋ยวเาจะได้้องเล่นกันทั้งบททั้ง ต้องอย่ามีเบงนไม้เลเบี่ยเอึกันแนกตรเนอจงได้คนทุกมีความสุขมีความสงบช่วยรับเชอสเป็นสตาเวลาพูสตาอันนี้แค่สกีอตาน้าไี่ฮานาตุกเจงมากเจ๋งมากอ่านน้องียนอัตาน้องลินน้องโมตัดสาตละค่ะงนอู้ชูอูชู้อะไรอู้ชูอะไรอูชูอะไร ออ่าเงี้ยเราเราพูดอุชเลยอุชุสุปจิปันนกปะขาวตุตกเราว่าสร้างโคสร้างคานันมามโอเคแล้วก็อะไรเรามีอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาระลุกคนความแก่เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาระลุกคนความตายเป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาระลุกคนความเจ็บได้เป็นไม่ได้เรามีผัดผัดผ้าจากของ เราของาใจทั้งข้างหลังทั้งกลุ่ออดีมากฝักไปเลยเฮ้ยอืออ้าวมีอะไรจะถามพระอาจารย์ไหมคะถ้ามีเพื่อนแกล้งเลนกลับอะคะ่ะพระอาจารย์น้องเลนจะทํายังไงดีคะเมื่อวันเมื่อวันซื้อก็น้องเลนก็ถูกแกล้งมาถูกเพื่อนขีหลังแล้วสไลดเลิร์มาหน้าเขาก็เป็นแท้เลยอะคะ่ะน้องเลนให้ข น, นมเขาเลยให้ขนมก็ด้พระอาจารย์เลิกเวลา เวลาใครก็ทำอะไรเร า, เราทําความดีสู้กับเขาอยากาความไม่ดีไปสู้กับเขาถ้าเราความไม่ดีไปสู้กับเขาเราก็ไม่ดีเท่าเขากาน<ม>บอกอว่าถ้าพเพื่อนแก๊งเดยก็ต้องให้เลี้ยนให้ขนมอเต็มขนมไหมเต็มขนมจากเพื่อนเวลาใครก้างเพื่อนก็เอาขนมไปกินนิดหน่อยแต่ามาเจอแปลกใจไว้ทําไม หูถึงทําอย่างนี้ได้เขาทำไมทําไม่ได้กินเองกินเองนะต้องให้อภัยนะใครก็มาทําร้ายเราเอย่าไปโกรธเขาให้อภัยไปเราเราเราไม่ต้องแกล้งกลับใช่ไหมครับไม่ต้องแกล้งกลับไม่ต้องแกล้เว่ยเนี่มันเอาง่า้วยการจองเว่ยมาบอกว่าสู้เลยกลัวกลัวเขาจะเห็นว่าหลานแบบว่าสู้ไม่ไหวแล้วเขาก็จะแบบ เขาชอบเขาชอบจูงมือเลน ข, ขึ้นบันไดวิ่งขึ้นบันไดเงี้ยค่ะแล้วแบบโยงก็กลัวว่าอันตรายโยงก็บอกว่าถ้าเพื่อนจะจูงมือวิ่งขึ้นบันไดก็บอกเพื่อนว่าอย่าอย่าอย่าจูงมือเราเดินเองอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะใช่ไหมเลนเล่นกันเด็กเด็กเล่นกันแต่เลนเขาเป็นเด็กเรียบร้อยเลค่ะพร่อจันอืมค่ะพยายามเด็กเลี่ยงเพื่อนที่เขาชอบแกล้งเรานะอย่าไปยิงเขาอืมแต่หลีกเลี่ยงเพื่อนนะครับลูก ขารู้สึกน้ำตาลต่ำแล้วค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มบอกไปแล้วค่ะถ้าน้ำตาลต่ำแล้วเขาจะแบบเหมือนกับซึมแล้วก็ง่วงเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แมแม่ไปหาน้าตาลมาให้ใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันค่ะแล้วแม่เขาก็ช่วงนี้ก็เลยเลยไม่ได้ทำงานนะคะต้องคอย monitor น้ำตาลลูกก็จค่ะค่ะับควพระอาจารย์ลูกับดีดีครับอดีีครับสาม แล้วเดี๋ยเรียกับพระอาจารย์นะเนี่ยพอเริ่มแล้วการต่างเขาจะเริ่มแบบนี้ละค่ะพระอาจารย์จะเริ่มเงียบเริ่มซึมเรื่มเริ่มเงนี้ค่ะ n e r energy น้อยตกไปแล้ว energy ตลงแรงมากแม่เขาบอกลงแรงมากค่ะหัวจิ้มรงลงเร็วใช่ค่ะลงเร็วเนียใช่ค่ะเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะพระอาจารย์ดูง่ายเลยค่ะเขาเรีนกันเยอะอะรีบๆทานเลยลูกทานตรงเลย ใช่ค่ะทานนมเพิ่มน้าตาล<น>ก็จะเอากูโคสถ้ากูโคสเนี่ยค่ะพระอาจารย์ดูอย่างเงี้ยค่ะอน้อยเราก็รู้วิธีแก้ก็ย่างดีอยูน่นะใช่ค่ะแต่เขาเริ่มรู้สึกตัวเองก็โอเคค่ะพระอาจารย์เริ่มบอกได้นะคะเนี่ยเป็นกูโคสเป็นสั่งมาจากเมืองนอกค่ะพระอาจารย์อืมลูกสั่งที่ไหนเนอืมในช้อปปี้แต่ของหมดบ่อย อะไว่าจะผลิตเองเลยทําขายช่วยคนอื่นเลยลูกเลยบอกเ๋ยจะผลิตเองแล้วทําขายช่วยคนอื่นไปเลยค่ะเพราะบางบางคนเกาหาซื้อไม่มีเจ้าค่ะก็ดี <c oughs> ผลิตในไทยไปเลยอืค่ะเ <c oughs> นี่ยคะ่ะอ่ะปะไพอแล้วลูกยัพอเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวนักการสูงพอแล้วโอคส่วนโอ้ยส่วนบนหมนแรงเลยใช้แรงเยอะหมดแรงเลยคะ่ะอืมอ่านะหนูนอนหลับฝันดีนะครับค่นคีณค่ะ พระอาจารย์เราสาย้ายขันนะเจ้าคะ่ะใช่แล้วก็จะร้องเรียนน้องงอนเลยค่ะเขาจะเข้าเราเขาไม่ได้ตามพี่ชายไม่ทันเจ้าคะ่ะค่ะค่ะค่ะค่นอะไปที่คุณยายกับสันโดษหายไปนานนะจำไม่ได้เลยนะี่ตัดผมทรงใหม่นะเลยําได้ทรงรลอดดอครับพระอาจาอย์นะอ ก็คล้ายๆกับที่พระอาจารย์เคยแนะนําที่บอกว่าให้สกินเฮดอีกนิดเดียวก็สกินเฮดแล้วเนี่ยยังจําได้ค่ะถึงจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปทางนั้นก็แต่อยู่ที่บ้านก็เลยยังยังระลึกถึงอยู่ค่ะดีจ้าคุณยายความจำยังดีอยู่นะไม่หลงเลยค่ะยังไม่มีอัลาซเมื่อนะก็พยายามนะคะ ส่วนมากก็รู้นะคะแต่พูดไม่ให้มีสติเยอะๆถ้ามีสติแล้วจะไม่ลืมจะไม่หลงรู้นะคะแต่พูดไม่ถูกเพราะอืมาสลับไปสลับมาก็คิดก่อนคิดให้ดีก่อนมีสติคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดออก็พยายามค่ะพยายามมีสติพูดโธพูดโธไปเรื่อยๆใหญ่ตาทุกวันเลยค่ะเพราะนั้นไม่หลงไม่ลืมไม่ไม่ค่ะ ขอเทษตอนนี้คุณายายอายุเท่าไหร่แล้วแปดปดสิบสามค่ะแปดสิบสามนะยัยงแข็งแรงอยู่ไม่แข็งแรง <laughs> ดีดีมากไม่ดีมาัางค่ะ <laughs> ก็เป็นตับใบตามวัยนะคุณยายนะยายก็อยู่บ้านคนเดียวแต่คนทํางานที่บ้านก็ยังทําช่วยทำบ้านอยู่นะมีคนทางานนะคะยายก็อยู่นั่งอยู่คนเดียวดีเหมือนเป็นพระเลยอยู่คนเดียว ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะเลยตอนทำงานตลอดอืมพวมเราทุกคนก็ต้องเป็นเป็นปุณายนะสักวันหนึ่งข้างหน้าอืมค่ก็ดีกุณายเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเรานะ <c oughs> มืมีสเต <c oughs> มีเสียงมีสมาธมิมีความสงบมีความสุข <c oughs> มีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้ก็ไม่มีรพระอาจารย์แค่ช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นหมอห้าแล้วเรียนค่อนข้างหนักหน่วงกับพอาจารย์แล้วก็ตารางตารางเวลาจะกลับบ้านดึกกับพุกวกว่าจะกลับมาก็ไม่มาไม่ทันซูมพระอาจารย์ยังเรียนอิน <c oughs> เตอร์อยู่เปล่เรียนอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็พึ่งช่วงช่วงหยุดอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานี่ก็ไปอินเดียมาครับอาจารย์ไปสามอเวชนียสถานโรงเรียนจัดไปแลรวใช่ไหมไปมไปไปกับทัวร์ครับผมณอาจารย์อืมเกี่ยวกโรงเรียนเดตจัดทัวร์เป็นเดียก็ดีนะ <laughs> ไม่เคยเห็นนะ <laughs> ทางโรงเรียนมันก็ได้สอนทั้งศาสนาอะไรใช่ไหมเขาเข า, เาไม่ค่อยยุ่งอรับพีออ่จักรเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนอินเตอร์เขามีหลายศาสนาอืมก็เลยให้ไปดรียนกันเองศาสนาใครก็ศาสนามันนะนี่ครับพีจ่จักรอืมเขาก็สอนแต่วิชาทางโลกทางศาสนาเราก็ต้องหาวิชาทางธรรมมาเสริมนะ<า>มอื ม, มเราต้องเป็นคนดีด้วยต้องรู้จักว่าคนดีเป็นยังไง คนดีั้งซือสัตย์สุจริตนะมีศีลห้าเป็นพื้นฐานของการกระทะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่เหนื่มของมึนมงนาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะเป็นคนดีเพราะคนดีจะไม่ไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายหเดือดร้อนครัาจา โอเคมีตท่านี้นะเท่านี้ต่อยังระลึกถึงพระอาจารย์ครับดีใจที่ยังได้กลับมาเห็นหน้ากันอีก็ะลึกถึงท่านเจ้าพระย์เข้าพระอาจารย์แต่ตารางแน่นเอียดก็อย่างนี้แหละโปรแกรมนี้มันสุดทอดแล้วเดี๋ยวนี้โอเคเอาเท่นี้ก่อนนะหาธุสาธุไปที่คุณหมอต้ากับคุณหมอหรือไปละชื่อมื่อ แมทค่ะ<ม>พระอาจารย์ <Net. S 2> กับนวัตส ก, การพระอาจารย์ค่ะครับนวัตส ก, การครับพระอาจารย์ครับก็ไม่ได้เข้ามาหลายสัปดาห์บางบางสัปดาห์าจะเลิกงานเลทแล้วเข้ามาก็อาจจะไม่ได้วก็ฟังจากด้านนอกอยู่ครับอาจารย์ตามสบายตามเสะดวกโครับในการนี้ไม่มีการบังคับกัน ไม่อยากจะเข้าก็เข้าไม่อยากจะเข้าเนืเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าไม่เป็นไรค่ะครั บ, รบผมก็มากราบเอากําลังใจค่ะพระอาจารย์หลังจาก่ายไปสองอาทิตย์ค่ะอืม่ากําลังใจก็อยู่ที่การมีสติเ น, นี่ยออมีสติมากก็จะมีกําลังใจมากมีอุเบกขามากอืใจก็จะเน่งใจก็จะไม่วุ่นวายถ้าใจวุ่นวายแล้วกาลังใจมันก็จะหมดน รย์อรักษาใจให้นิ่งให้สงบไว้อืนนี่คือกําลังของใจอืมค่ะก็ยังภาวนาต่อไปครับพระอาจารย์ค่ะกขอบคุณพระอาจารย์นะคะขอเกิดเจริญสติมากขึ้นครับอาจารย์ชื่อครับเยอะดังสอดครับนั่งสมาธิด้วยนะครับผมนั่งสมาธิเดี๋ยวทุกวันอย่างน้อยต้องข้างคั้งสองครั้งค่ะนั่งนั่งทุกวันอยู่ค่ะพระอาจารย์ ได้ครับทำให้มากขึ้นค่ะาจารยนครับค่ะับค่ะขอบคุณอาจาครับคุณแนนต่อนนอุนรองแพทำาฬกาคารไม่ไมีคำถามเจ้ค่นอองั้นไปดีกว่าวันวาต่อวัาอยู่สีราชาสีราชาเจ้าค่ะหนูไม่ได้เข้ามาสองสัปดาห์ค่ะเข้ายากมาก ก็จริงๆจะเข้ามากราบเรียนพระอาจารย์อีกครั้งเนี่ยค่ะคือในช่วงหนึ่งที่หนูหนูอ่านั่งสมาธิแล้วหนูไปจับจับภาวนาที่เป็นพวกคล้ายๆยุบหนอแต่ว่าหนูไปเหมือนแบบปวดหนอเจ็บหนออะไรค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาทราบว่าหลังจากที่อาจารย์แนะนําไปแล้วนะคะตอนที่ถามคนเหมวีนะคะว่าให้กลับมาจับเพุทโธเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาทำ มาทําใหม่หรือมาทําใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้มันเพิ่งจะมาทราบว่าเวลาที่เราเจ็บ ป, ปวดหรือว่าจับอาการอะไรได้อย่างเช่นวันั้นคือจับที่การเต้นของของศรีรษะนะคะเราเราก็ภาวนาอะมันเป็นการมอนิเตอร์ร่างกายภายในของเราเพื่อให้เราดูล่างกายอาการแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นะใช่ นั่นหมายความว่าเรากําลังดูความเคลื่อนไหวของร่างกายโดยการใช้การภาวนาเป็นหลักไม่ใช่เหรอเวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรผูกใจไว้แม่ใ้ใจเราไปยุ่งกับเรื่องอื่นค่ะก็คือออกหนึออห่งจะออกสมาสมาธิแล้วจะออกสมาธิเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวต่างๆที่มันมากระทบกับใจเราเป็นหลัก อันไหที่มาทำให้เราไม่สบายใจอันนั้นแะเป็นตัวที่เราจะต้องดูแลจัดการกับมันอันใหนที่เราดูแล้วทำให้เราไม่สบายใจนแสดงว่ากิเลสเราเกิดแล้วความไม่สบายใจมันเกิดจากกิเลสของเราที่เราอาจจะไม่รับไม่ยอมรับสิ่งที่เราที่มากระทบกับเราเราก็ต้องปรับใจเราให้รับกับสิ่งที่มากระทบกับใจเราให้ได้เราจะได้ไม่ไม่ทุกข์เราจะได้ไม่ ไม่สบายใจจะได้อะไรจากกานไม่สบายใจได้เราการ<ๆ>การพิจารณาร่างกายคือเหมือน่นใช้ใช้จิตดูร่างกายนี่คือเป็นการพิจารณาสังขารถูกต้องไหมคะไม่เป็นการดูธรรมชาติของร่างกายว่ามีอะไรบ้างศึกษาร่างกายเหมือนหมอหมอศึกษาร่างกายเพื่อให้รู้ว่าร่างกายอมีโรภคภัยไข้เจ็บอะไรบ้าง จะรักษาอย่างไรสำหรับนักปฏิบัตินี่ก็ดูเพื่อให้รู้ความจริงว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมีตัวตนไหมในร่างกายนี้อที่เราไปทุกข์กับร่างกายเพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งอยากให้มันไม่เจ็บพอเป็นเจ็บเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บ เพาความเจ็บของร่างกายมันเป็นธรรมดามันต้องเกิดกับทุกร่างกายเราต้องรู้จักทําใจยอมรับความเจ็บของร่างกายยอมรับความตายของร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงันของร่างกายอันนี้ขนะคือวิธีพิจารณาร่างกายเพือ่อให้เราไม่ทุกข์กับร่างกาย ส่วนอาการ32นี่เราดูเพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายมันมีอะไรบ้างสวยไม่สวยหน้าดูก็ไม่น่าดู mm hmm. เห็นก็ประกวนางงามประกวดดาราอะไรกันเนี่ยเขาประกวดอะไรกันนะ mm hmm. ก็ไม่ประกวปตับไต้ไส้ภูมิกันบ้างนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ยคนที่ในในกองประกวไม่มีใครเห็นเห็นอาการ32ท่านคนนะ mm hmm. ใช่ไหม ถ้าเห็นแล้วคงยังไม่มาสมบัติประกวดกันหระแต่ถ้าเราดูคือถ้าเราเผลอไปดูไปไปเจอรายการแบบนี้เข้าเราก็ใช้ใช้เรื่องของเวทนาร่างกายมามาดูกระดูกข้างในตัดไปข้างในเขาแทนไม่เวทนามันเป็นเรื่องของความเจ็บถ้าจะดูดูความสวยงามนี่เพื่อรับความสวยงามก็ต้องดูความจริงว่ามันสวยงามจริงหรือเปล่าร่างกายนี้อืม เวลาแต่งที่มาไม่ได้วิภา ว, วิผมขีตาเต็มตานี่หน้า น, น่าดูน่าชมไหมไม่เลยค่ะนั่นเลยตอนน้ไม่อยู่ตอนทอี่ไม่มีผมเลยอืมใช่ไมอันนั้นต้องเข้าใจตอนจะได้ไม่ไปดมน้ำร่างกายของคนอื่นเราไปเห็นเขาตอนที่เขาแต่งแต่งหน้าทาปากแต่งตัวแต่งวิภา ว, วิผมอะไร เรียบร้อยแล้วเราเห็นแล้วก็เลยหนงรักขขเขาชอบเขาขึ้นมาอืแต่เราไม่เห็นตอนที่เขาเดินขึ้นมาที่ตายัางติดตาหน้าตายัางไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะเดี๋ยวถ้าเรามองเข้าไปข้างในใต้หิ้วหนังก็จะเห็นอาการต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมทั้งหลายอัอนนี้ก็คือการสอนใจไม่ให้หนง ไ, ไม่ให้เป็นหนงรักงนา่งกายอื เพราะไม่สวยงามตามธรรมเป็นจริงมันมันมีหนังหุ้มห่ออยู่ทำให้มองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามอะไรอ่าถูกค่ะถ้าเราต้องการถือสินแบกถ้าเราต้องการอยู่คนเดียวไม่มีแบกนี่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องมาเหล่านี้ให้มากเพื่อกันไม่ให้มันไปรักไปชอบใครอ่อแต่ถ้าเรายังมีข้อกลัวอยู่เราอย่าเพิ่งมาพิจารณาเรื่องมาเหล่านี้เพราะวันเดียวจะทําให้แยกแยกทางกัน ก็ของของหมูตอนนี้ก็เหมือนเข้าเข้าใจเข้าใจวิถีกันมากคือละเริ่มพูดกันเรื่องของความตายการเตรียมตัวตายอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดอะคะ่ะมันแค่เราแค่เริ่มเข้าใจว่าสุดท้ายเราก็แก่ตายหรือว่าเจ็บตายประมาณเนะะี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องรีบทำประโยชน์นี้ให้ได้ต้องยอมรับความตายให้ได้ต้องไม่กลัวตายต้องยินดีตายเมื่อถึงเวลา เราไม่ทุกม่ต้องไม่ทุกข์กับความตายจ้าค่ะเนีพิจารณาแค่นี้ก่อนเนี่เรื่องเรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องความตายความแก่ความเจ็บนี่ทําข้อสอบสามข้อนี้ให้ได้ก่อนได้จ้าค่ะขอบพระคุณสําหรับข้อแนะนําและคําสอนนะคะอาจารย์อาเดลอาคุณจิ๊บอาเมรแลนด์ คบิปไหนเลยอยากนมันสการค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> อ่าสลินทอนฝากกล่าวพระอาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้สลินทอนอยู่ที่ไมอามี่เขาไปดูงานค่ะ <Yeah. S 2> ก็เลยรีบบอกก่อนกลัวจะลืมว่าเพื่อนฝากบอกค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์สบายดีนะคะ yeah. สบายดีค่ะยมก็ไม่มีอะไรค่ะคือแค่จะถามว่าอย่างโยมอยู่ห่างไกลคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะช่วงนี้คุณแม่ไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมาก แล้วเราไม่สามารถไปดูแลได้เราเราควรวางใจยังไงดีคะพระอาจารย์ถ้าตามหลักหมยก็ถ้าเงินก็ได้นิดหน่อยมันก็ฉัอก็ต้องส่งคันตรนี้มันมีค่าใช้จ่ายเราต้องช่วยค่าใช้จ่ายช่วยค่ารักษาพยาบาลถ้าในกรณีเราช่วยไม่ได้มากเราควรจะคิดยังไงคะพระอาจารย์ว่าเราแบบอกตันยูไหมหรือว่ายังไงคะ ก็อยู่ที่ว่ามันไม่ได้มากเพราะอะไรไม่ได้มากเพราะเราเราไม่อยากจะให้ท่านหรือเราไม่ไม่ได้ให้มากเพราะเราไม่เพราะเราไม่มีมากอย่างนี้ก็ถ้าไม่มีมากก็ก็ยันถ้ามีมากแต่เสียดายอยากจะเก็บไว้ใช้เองหรือเอาไปใช้อย่างอื่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่นักท่านเท่าที่ควรนักตัวเรามากกว่าเราักตัวเราเองมากเรารักตัวเราเองมากกว่ารักท่าน ไม่ค่ะโยมมีไม่มากพระอาจารย์โยมมีเท่าไหร่โยมก็เอาแบบให้เขาหมดเลยแต่ที่คือขอถ้าถ้าท่านจริงๆมีเท่าไหร่ก็ฟาดไปให้ท่านหมดเลยใช่ไหมคะก็แบ่งไปให้หมดนะคะที่เหลือก็เอามาใช้ในส่วนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์โยมต้องแบบว่ามันมีสองทางไปทางไหนดีเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบก็เลยพยายามแบบถ้าทําได้เต็มที่เราจะมีความรู้สึกสุขใจสบายใจไม่รู้สึกตะกิดตะกัวในใจ แต่ถ้าเราทำไม่เต็มที่เราจะรู้สึกไม่เราเป็นลูกอะไรเนี่ยทำไมเราถึงไม่กล้าทำให้กับพ่อแม่ค่ะแต่ก็คือเราก็ทำให้ทีที่สุดในทั้งทางทุกทางในที่เราเรับผิดชอบได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขใจก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ได้แบบว่าต้องต้องทุกไปกับมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะคืออยากจะช่วยมากมากกว่านี้อยากจะช่วยแบบสุดๆเลย แต่แบบอ้าวสมมติเรามีร้อยเราให้ไปแล้วแปดสิบอีกยี่สิบเราก็าไปจ่ายอีกด้านหนึ่งสมมติใช่ไหมคะแต่แบบหนูอยากจะให้ร้อยเลยแต่แบบบางทีเออทำไงดีทำไว้ได้ <c oughs> ก็เลยคิดให้ให้เท่าที่เราจะให้ได้กันแล้วกันนะ <c oughs> ค่ะค่ะก็คือวางใจเอาตามความเหมาะสมสิ่งที่เราทําได้ในปัจจุบันใช่ไหมคะก็ไม่ถือว่าเราแบบบาปหรืออะไรใช่ไหมคะอ๋อไม่บาปเหรอเพียงแต่ว่า กตันยูมากกับกระตันยูน้อยนั่นเองค่ะความกตันยูก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งไหมคะพระอาจารย์อันนี้เป็นคุณสมบัติของคนดีเขาเป็ น, ปน ค, คนดีอค่ะค่ะยมก็พยายามอะคะ่ะคุณก็ถึงแม้เราส่งไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ยมก็จะโทรด้วยโทรหาด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ค, ค่ะอาจารบอกคนคนที่ขึมีามการกระตันยูนี่หายากนะเหมือนกันค่ะ ในตัววัวเนี่ยคนคนที่เป็นกระตันอยู่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาวัวค่ะคนที่แม่กระตันแม่กระตันอยู่นี่เป็นเหมือนขนวัวทําไมถึงเป็นคนวัวคะเพราะว่า ม, ม, มันมมล้วงไงมันมีมากอ๋อมันมีมากไม่จบกเป็นพรามันรวงง่ายวัวมันติดทนนานวัวมันมีเขาเกลี่ยมันก็มีแค่สามนันหายาก อายาคนกตนัญญูเป็นาาปนัญญาที่ลึกซึ้งยมเข้าใจไปอีกทางลึกซึ้งสุอของง่ายๆเหอรอเด็กวัพยพยาจนปัญญายมยอยู่ติดใต้ตม อ, อยู่หรือเปล่าถึงต้องถึงต้องบอกถึงต้องสอนให้กตัญญูกตัญญูนะกตัญญพย า, ยามเป็นเขาอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ ไม่ใช่งโง่เขาวนะคะเป็นขาวัวไม่มีทางอย่ายงเชี้ไม่มีทางเป็นเขาวัวได้ต้องเป็นเขา ว, วายก่อนก็ได้พ่ะย่เป็นขนวยก่อนเป็นขนเราเป็นขนอะไรดีดที่ีมันมีขนเลยเนาะอ๋อดูแล้วเป็นขนพันแมวทำไมไม่ค่อยมีขนอย่างนั้นมันก็มันยังหายากหน่อยถ้าอยากจะเป็นคนที่หายากเราต้องเราต้องเป็นคนกระตันอยู่ เป็นคนหายารอาาจเหมืนหนอมนเพ้นนี่เพ้นนี่หาย า, าแต่เพ้นนี่มีคุณค่ามากคนนี้<ช>มีความกตัญญูก็เป็นคนดีมีคนเป็นคนมีคุณค่าน่าคารพค้าสมาคมผมด้วยค่ะจา้าถค่ะจะพยายามทำเต็มที่ครับพระอาจารย์โยมก็ทําเต็มที่จริงๆค่ะอยากให้ท่านมีความสุข ที่สุดเท่าที่เราทําได้ค่ะใ ด, ดีดีมากค่ะค่ะ อ, อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าหวังดีประสงค์ร้ายถ้าพูดอะไรไปแล้วแม่ไม่รู้สึกสบายใจถึงแม้เราจะหวังดีก็แปลว่าเราประสงค์ายาตั้งแต่นั้นพระอาจารย์บอกโย ม, มาอย ม, ม่าพูดอะไรเลยที่แบบว่าถึงแม้จะเป็นการการสอนไม่ได้สอนเขาเรื่ออะไรการแลกเปลี่ยนธรรมะโยมก็ไม่พูดละโ <laughs> ยมก็เงียบเลยตอนนี้ก็แบบเอฟังแม่พูดอย่างเดียวดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ คนที่มีความเมตตาจะไม่พูดทำร้ายใครสาธุค่ะค่ะยังนิยมรับกวนพระาจารย์ท่านนี้ค่ะคนรอยเยอะขอพระคุณพระอาจารย์มากนะคะที่สังสอนยมจะเก็บคำสอนขำว่าอาจารย์ไว้ทำปฏิบัติตามนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์คุณตายต่อคุณตายพัทยาน้มกับนมัส ก, การพระอาจารย์ ไม่ได้ขามาค่ะวันนี้เห<า>็นว่าพ่งทำอยู่ไม่ใช่นหรอใช่ค่ะก็มีเวลาก็แวะไปลูกชายมาแล้วค่ะพ่อจาัอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทอด ถ, อถ่ายทอดวิชาแล้วก็วันนี้วันพรกก็เลยบอกว่าขอลูกมามาวัดแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เขารองหัดอยู่ร้านแล้วก็คอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ค่ะเออดีถ่ายทอดไปให้เขาไป ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดไม่ให้เขาเห็นแก่ตัวแม่ให้เขาโลภแม่ให้เขาโกหก<ม>ก็ถ่ายทอดแบบนี้ไปให้เขาไปด้วยให้เขาแบบอยู่กับเรา<ม>ให้เขามาเสริมทร้างว่าเออการทําในสิ่งที่บางทีเราเจออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีแล้วก็อย่าทำถ<ม>้าสอนเข้าไปก็<ม>น่าจะไปได้ค่ะอาจารย์ก็เขาก็<ม>เขาก็เป็นคนดีระดับเมืม่อก่อนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะอยู่กรุงเทพนะ อ่ะยมเทบค่ะพระอาจารย์ทํางานตอนนี้เขาอยู่ออกจากงานนะออกจากงานแล้วค่ะพอเขาแต่งงานแะ้วยมก็บอกว่าถ้าแต่งงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้ไหมก็มามามาทําของตัวเองหนูก็ทําร้านให้ค่ะว่าค่ะคนที่เคยมาใส่บาตรด้วยกันนี้อ๋ออันนั้นก็อันนั้นลูกชายคนเล็กแล้วก็คนโตนี่คนโตนี่พระอาจารย์ น่าจะเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่ า, น า, นาคนนี้เขาดื้อนานาค่ะพระอาจารย์เขาดื้อเรื่องเรื่องวัดเรื่องพระเขาเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เงื่องใส่ถ้าหนาเห็นใจก็อาจจะไม่เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ได้ค่ะแต่ก็โยมก็พยายามแบบไปวัดหรือว่าทําอะไรให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรางมงายหรือว่าอะไรนะคะพระอบบาจารย์ก็พยายามสอนเขาอยู่เพราะว่า ล, ลูกก็ไม่ได้อยู่กับโยมตั้งแต่เล็กๆอะคะ่ะมันก็เลยหาการสอนเขาอยู่ตามประเทศตลอดโยมก็เลยแบบไม่ได้สอนเขาเรื่องเรื่องทางทางวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพร่อาจารย์แต่เขาก็เคยไปใส่บาตร ท, ที่ที่วัดอยู่คะ่ะตอนเวลาเขากลับมาจากต่างประเทศเมื่อก่อนนะนะคะก็จะพาไปใส่ทุกครั้งไม่รู้พ่อาจารย์จําได้หรือเปล่าแล้วพวกลูกๆ ก, ก็อึ้งพ่อาจารย์อยู่และะ้วค่ะเขาก็ไม่ถึงกับว่าเอา จะว่าโยมว่าเป็นศรัทธาที่งมงายหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ว่านะคะถ้าโยมมีโอกาสโยมก็พาเขาไปวัดเขาก็กับพระเขาก็คุยกับผู้อาจารย์ของของโยมที่ที่ที่จันทบุรีด้วยแล้วก็เขาก็เขาก็ไม่ถึงการแอนตี้อะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขายังอาจจะไม่ถึงเวลาแล้วโยมก็นึกไปถึงตอนที่โยมเป็นวัยรุ่นโยมก็ยังไม่ได้เข้าวัดจ้ะก็เพิ่งมาเข้าตอนแบบ เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้ไม่เป็นไร แ, แต่ค่ะแต่ก็ลูกๆเป็นคนดีไม่ทําให้ยมเดือดร้อนมันบัวบัวยังไม่ผูอย่างน้ำค่ะบั ว, บวยังอยู่กลางน้ำอยู่ต้องใช้เวลาให้มันตะลานเติบโตขึ้นมากว่าจะมันจะผูเหนือน้ําขึ้นมาได้นะแต่ลูกชายก็ไม่ดื่มไม่เที่ยว ก็เป็นคนสมรา tha าดีค่ะพระอาจารย์มไม่เที่ยวแล้วไม่ไม่ใช้อะไรที่พุ่งเฟือยอยู่อยู่แบบของเขาอะ่ะก็ก็ยมก็ว่าเออลูกยมก็ยมก็โชคดีระดับหนึง่งเป็นบุญของโยมด้วยอะค่ะออที่ได้ไพวกเขามาไม่เดินไม่ไม่เสพ ย, ยาเสพติดอะไรก็ถือว่าดีคนระใช่ค่ะไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไม่อะไรนั้นอยู่แต่บ้านถ้าไม่แต่งงานนี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยพ่ะอาจารย์หนูยังเครียดเลย ตอนนี้เขาเขาตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นแบบอยู่คนเดียวเขาไม่ไปไหนเลย mm hmm. แต่พอมีแฟนก็เออรู้สึกว่าพูดกับคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้นยยมก็เลยว่าเออก็ดีเพราะว่าแฟนเขาคนนี้ก็นิสัยดีอยู่พระอาจารย์ mm hmm. ก็ถือว่าถือว่าดวงโยมนี่โชคดีมากๆเลยลูกสะภ้ายคนแร็กของของเจ้าคนแรกนี่ก็เช้ามาทํากับข้าว ทำกับข้าวให้ให้ปู่ย่าให้ให้โยมเดี๋ยวนี้โยมก็ไม่ต้องทำเยอะแล้วก็คนแฟนลูกสบายคนโตนี่ก็เก่งทำขนมคุกกี้กับข้าวไม่เท่าไหร่แต่ก็นิสัยดีค่ะก็ค่ะเป็นบุญของเรานาะในคนเด็กใช่ค่ะอาจารย์โยมก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังแล้วกออ็พัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะว่าเขาไม่เคย ถ้าขายเหมือนกันแต่ก็พยายามฝึกเขาก็ฝึกหนักก็ต้องสองคนนะคะ<ม>แต่โยมก็บอกว่าอีกหน่อยนี้แม่ก็ไม่ได้มาเฝ้าแล้วนะก็จะอยากจะพักละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหัดไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงไปอยู่แต่ก็จะพยายามปิดปิดตัวมาว่าให้บ่อยขึ้นนะคะพระอาจารย์อย่านำใกล้ฝังก็ไปทุกวันแล้วนะเนื้อใช่คะ<ม>่ะพระอาจารย์เ<ม>พราะว่าโยมก็มอง มองกระจกดูสรรรูปตัวเองหงอกก็มีหน้าก็เหี่ยวผิวก็เหี่ยวไปตลาดเดินเจอคนแก่ยมก็เห็นเขาเดินงอกงอกเลยว่า อ, อีกหน่อยเราก็ต้องเดินแบบนี้อีกหน่อยเราก็หูตาก็ไม่ดีเดินก็ช้าอะไรก็ช้าต้องเป็นแบบนี้ก็ก็มองไปแล้วก็มันนึกถึงตัวเองไปก็โปรงไปค่ะพระอาจารย์ป<อ>ง่งกับชีวิตตัวเด็กไปเรื่อยเรรีบมาปฏิบัติธรรมนะตอนนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ใช่ส yeah, าธุค่ค ะ, ะนน แ, คแต่ขอบคุณแม่ครอ่า Sunny Bangkok กล่านามสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อคุณแม่ตอนนี้คงจะทุกข์มากเลยนะไม่ได้ลงทุกวันทุกวันะอาจารย์วันนี้ปวดหัวค่ะ <laughs> เป็นบนปวดหัวไม่รู้ แน่จะเคลียร์เรื่องทองเนี่ยนะค่ะ อ, อ, อาจารย์แต่ก็มไม่ได้ ม, มีลาบมีเจริญาลาบก็มีเสื่อมลาเสื่มลาบได้ค่ะเอามาเอามาเป็นคติธรรมสอนสอนเรานะไม่มีอะไรที่จะขึ้นเป็นตลาดมีจรรยก็ต้องมีเสื่มเป็นธรรมดาค่ะแต่หนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูถือไว้เองก็ได้ถ้าแม่ถือแล้วแม่เครียดไอตัวที่ออดอยอ <laughs> ออเดี๋ยวหนูถือว่าเองหนูไม่เครียดก็ถือไปมันก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึง่งค่ะเผื่อให้เขาจะได้คลายลงบ้างกลัวเส้นเล่นในสมองแตกก่อน <laughs> แต่ก็แต่ก็แกก็บอกอยู่ค่ะว่าเออถ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเล่นแล้วเล่นแล้วก็ปวดหัวปุ๊ป่าอะไรอย่างนี้นค่ะอแรกได้กันดีค่ะ โอเคมีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะแต่จะบอกว่าหนูเพิ่งได้อ่านหนังสือเปิดใจเปิดธรรมมาค่ะที่เป็น<ม>ฉลิมสมบูรณ์เป็นประวัติของพระอาจารย์นะคะรู้สึกปลื้มปิติใจมากมากเลยค่ะที่ได้อ่านอ่านวันเดียวจบเลยค่ะพระอาจารย์เอ่ตลอดเลยค่ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆแล้วก็ผู้ที่จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะต้องฝากขอบคุณด<ม>้วยค่ะอม เป็นเหมือนละครนะมันชีวิตละครชีวิตอย่างหนึงนะ <c oughs> มันยิ่งกว่าละครค่ะพระอาจารย์มันได้นอกจากเหมือนบทละครแล้วมันเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนธรรมที่สอนคนที่อ่านด้วยค่ะหนูคิดว่าแล้วก็ได้ทราบได้ทราบเออ่ประวัติพระอาจารย์แล้วก็การฝึกปฏิบัติอะไรต่างๆเงนี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยค่ะอืมทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามนะ ถ้าเรามีความพยายามมีความเพียรเดี๋ยวมันก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเองค่ะพระอาจารย์เป็นหนังสือที่เป็นแบบเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะหนูจะปฏิบัติตามค่ะอ่าดีนะคร <c oughs> ให้ได้นะนาะน <c oughs> ๆ <c oughs> จะได้มามีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มีเวลามาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ยหายากค่ะพระอาจารย์ อืะพยาทยามให้ดีที่สุดถ้าได้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าเรานิพานอยู่แค่ใกล้เอื้อมมือแล้วนะ่ะอยู่ที่เราจะไปคว้ามันหรือไม่เท่านั้นเองใช่ค่ะอาจารย์เหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลน <laughs> ะค่ะอาจารย์ก็พอมันยังยังนงอยู่ไมันยังนงใจอยู่กับล่านยุทธ์ะเสริญอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูจะถ้าหนูทอมื่อไหรหนูก็จะเปิดอ่านต ล, ลอดค่ะอาจารย์จะได้เป็นกําลังใจ อืมโอเคขอบคุณพระอาจารย์มากๆากครับโอกาสอย่างนี้หา ย, ยากนะกรรมาชาติหน้าจะไม่ได้อย่างนี้กาหน้ากรรมกรรเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่มีอย่างนี้ก็ได้ศาสนาพุทธก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้ค่ะพระอาจารย์อืมโอเคสาธุขอบคุณอ้อมอ้อมอ้อมบอวินได้ยินไหมามาแล้วน้ำมันซากค่ะ อ ม, มาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์เอ yeah. ที่ฟังนี่เป็นธรรมแล้วหรือว่าเป็นอะไรได้ประโยชน์ค่ะได้ประโยชน์นะค่ะถ้ามีแต่เรื่องจุกจิกเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องนู้นเรื่คงนีมันก็มีมีผนกับประโยชน์ธรรมะด้วยค่ะพระอาจารย์ก็รู้จักฟังนะรู้จักแยกแยะมันว <c oughs> แก่เอามาใช้ใเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอามาใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ ทิงไปอย่ามาแบ่งให้เสียเวลามีวันเสาร์อาทิตย์ค่ะฟังทำพระอาจารย์ได้ประโยชน์มากวันนั้นพอดีติดหวัด ต, ติดไข้าจากแฟนนะคะแล้วเรามีคนถามพระอาจารย์เข้าไปว่าถ้าถ้ามีความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายที่แบบเจ็บป่วยอะคะ่ะต้องทำยังไงแล้วพระอาจารย์บอกว่าก็ยินดีต้อนรับ ก็เลยจากแบบจากกระโทษแฟนนี่เอาเชื้อโรคเข้ามาทำให้ติดไข้ด้วยก็เลยโอเคยินดีต้อนรับก็ได้แต่ว่าก็ก็รู้อยู่ว่าร่างกายมันต้องมีเจ็บป่วยอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็เรายังมีแบบกิเลสอยู่นิดนึงแต่พอได้แบบฟังทมพระอาจารย์เสริมเข้าไปอ๋อโอเคก็ยินดีต้อนรับมันทุกทุกทุกอเลรน้อยลงไปนะใช่ค่ะก็เหมือนเป็นแสงสว่างเป็นรังเกียมัน คือคือเราก็ยังแบบอยู่ในใจว่าเออเนี่ยแฟนเนี่ยเอาเข้ามาให้เราติดตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเราจะพยายามว่าเขาอื<ม>ทีนี้ก็นั่นแหละค่ะแสงไฟก็มาทันเวลาพอดีเราก็เลยไม่ว่าอะไรทีนี้ <laughs> ก็ก็เลยลดลง<ม> <laughs> คือคือเหมือนเราก็รู้แหละเราก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์านานแล้วก็รู้เออร่างกายมันต้องมีอยู่แล้วแหละ เจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวเราเราก็เตรียมใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีมันเหมือนเราก็มีอารมณ์ที่แบบยังไม่ได้แบบเป็นการประมาณหนึ่งไปโทษคนนั้นโทษคนนี้บานทีต้องโทษตัวเราเองที่มาเกิดเนี้ยถ้าไม่มาเกิดมันก็ไม่มีเจ็บใช่ไหมค่ะคือก็รู้ว่าเออเพราะร่างกายนี่แหละมันก็เลยมีเรื่องพวกนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันแบบมันอาจจะแบบ ใช่ส่วนใหญ่นะมักจะไม่ชอบโทษตัวเราเองเราชอบไปโทษคนอื่นค่ะจริงๆก็ต้องเกิดคอยเติมทรมาของพระอาจารย์บ่อยๆดีแล้วก็นั่งปฏิบัติด้วยนะทำใจให้นิ่งให้สงบค่ะอืมพอใจนิ่งใจสงบเราจะสู้กับความทุกข์ได้จะหยุดความทุกข์ได้ค่ะอืมโอเคเอาทุสาธุค่ะ ขึ้นมออันนี้ก็มาฟังทำที่หน้ากุติด้วยใส่บาตรด้วยวันนี้ทำหลายอย่างเช้าก็ใส่บาตรงน้านนกุฏิด้วยสมอย่า ง, งเลยใชมครับทำทำปฏิบัติธรรมในครบถ้วนเลยอยากทําได้ทุกเม็ดเลยพระอาจารย์ทุกอย่างจะได้ทําได้ถ้าทำยังมีแรงอยู่ก็ยังทำํำพระอาจารยขอบคุณพระคุณมาก ม, ากมากเลยนะคะวันนี้พระอาจารย์เทศเรื่องสมาชิติอ่ะโ อ, อ้มัมน มันสว่างมันได้กําลังใจแล้วก็พี่หนุ่มก็ฝากขอบคุณว่าพอฝึกสติตั้งแต่รบางวันอ่ะพอนั่งสปฏิบัติฟังพระอาจารย์แล้วปฏิบัติพี่หนุหน่มบอกว่าลงเลยวันนี้แกก็เลยมีกําลังใจเหมือนกันค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็สมาธิพี่พระอาจารย์ฟังแล้วเข้าใจแล้วง่ายค่ะแล้วมันเอามามาตอบตัวเองแบบ อ, อะไรได้พระาาอาจารย์ได้กำลังใจเยอะๆเลยค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวสองอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ผงไม่ได้เข้านะครไปกัลยาสิ์แล้วก็อีอาทิตย์หนึ่งก็จะไปวัด <laughs> ไปห้าวันพระอาจารย์ใช่ใช่จะไ ขอบ<ด>พรคุณมากๆครับกำลังใจเต็มเปี่ยมมัโนโกโนะนโกะเนี่ยมันโกนโกะหายหน้าไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนะค่ะก่อนท่านที่ป่วยเป็นบ้านหมุ่นเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ด<อ>ีขึ้นแล้วเจ้าค่ะ<อ>วันนี้น้องตื่นเช้าค่ะก็เลยให้มาสวัสดีกับสวัสดีเล็กเ<อ>ล็กพราเจ้่าหลุงตาได้ไหมเจ้าค่ะตอนนี้กี่โมงครับ ตินี้ีอะไรจะถามผ้าจา์ไหมหยุดดิ้วหาตอนนี้เป็นคือ e ล้วเล่าให้ผ้าจานสั้นๆสั้นๆห น, นนะ่ลูกว่าห น, นุ่มสวดมนต์ขึนไหมใช่แล mm ้ว hmm. แล้วก็อาราธนาสีเทาหนละูก yes ครับขอพอหัดสวดมนต์ไปนะมนต์นี่จะช่วยทำให้เราสบายใจเวลาเราไม่สบายใจแล้วก็สวดมนต์ไปสักพักเดี๋ยวอาการไม่สบายใจก็จะหายไปอืม mm hmm. แล้วเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยไปกลับพระจันทร์ไปกลับดวงตาไปกลับวงตมีนุ่งคนเดียวนะมีสองคนเจ้าคะ่ะผู้ชายเจ้าคะ่ะคนนี้คนเล็กไหมคนโตคนโตเจ้ะคะเ า, า, าค่ะคนโตค่ะก็คิดว่ากับบ้านคราวนะ้เมืองไทยจะจับคู่กันคนเล็กอยู่กับพ่อที่นี่แล้วก็โปกลับกับนองนะคะเพราะว่าคนโตเขาไปวัดตั้งแต่เด็กแล้วเขา คิดว่าไปได้ไปด้วยกันได้คนเล็กอาจจะงองแงนิดนึงค่ <Yeah. S 2> ะค่ ะ, ะก็ตั้งใจว่ากลับบ้านเมืองไทยอยากไปหลายวัดคิดว่าน้องไปได้ไปนั่งสมาธิด้วยกันไปใส่บาตด้วยกั น, นเจ้ า, า <Yeah. S 2> ข้าพระอาจารย์อาชาวัดให้มีนิสัยติดตัวค่ะก็ค่ ะ, <Okay. S 2> คะอาจารย์มัคุยกับพระอาจารย์กับน้อง <Okay. S 2> ค่ะ ก็วันนี้มีคําถามสั้นๆเจ้าค่ะคือถ้าเรายังไม่ได้ฌานสีเจ้าค่ะอาจารย์แล้วเราอยากพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราอมันควรจะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะก็พิจารณาว่ามันทํามาจากอะไรมันก็มาจากธาตุสี่ดิน้ําลมไฟที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาผสมกันแล้วก็เติมด้วยธาตุสีในคันเขา แม่ก็เอาอาหารเข้าไปก็เป็นดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ค่อยๆเติมเติมๆมาเป็นอาการ32ขั้นเดียวน้ำต่อไปมันก็จะแก่แล้วมก็จะเจ็บแล้วก็จะตายพอมันตายมันก็มันก็ดินน้ำลมไฟที่บันรวมตัวในร่างกายมันก็จะแยกออกจากกันตายไปมันไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกาย เราไปตูขคิดเอาเองว่าเราหยบเราไปนั่งกายร่างกายเป็นเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นผูส้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นจิตเป็นธาตถ้าเป็นทาตรู้คือเราก็เห็นว่าเออมันมันไม่เที่ยงเพราะว่าเออเรามีผมขาวสายตาเราก็ยาวหลายๆอย่างที่เห็นในร่างกายเรามันก็เออ อะไรชราลงแบบมีอายุขึ้นนะคะแต่มันก็ยังเห็นว่าเป็นเราอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าท้องเหมือนน้องที่น้องๆที่เขาท้องกันอาการสามสิบสองก็ช่วยวีมัยตัวเองได้แล้วอยากเป็นเป็นทูสอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารใช่ก็ลองถามว่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าเราเป็นฟันหรือเปล่าได้เลยสามสิบสองอาการก็จะได้คำตอบว่าไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นอาการเหล่านี้เล ถ้าเราไม่เป็นอาการเหลนี้แล้วร่างกายจะเป็นดาวที่ลงไหนนะไม่มีอย่าไปคิดขึ้นมาเหมันกับที่ดินเนี่ยถ้าอยู่ดีๆแล้วก็มาบอกที่ดินนี่เป็นของเรามันก็เป็นของเราขึ้นมาที่อเมริกานี้เมื่อก่อนที่ดินเป็นของใครงานพังอินเดียแดงั้างไหนเดี๋ยวนี้อาการเป็นของฝรั่งไปหมดแล้วมันก็ไปเคลมเป็นขึ้นมาท่านเองร่างกายนี้เราก็มาเคลมว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา ค่ะแต่จริงมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟเวลาการสามสิบสองคือถ้าเราสอนใจทุกวันต่อให้เรายังเข้าชั้นสี่ไม่ได้มันก็เหมือนได้สะสมความความรู้ตรงนี้แบบไว้ในจิตใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ถ้วถึงเวลาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราต้องมองตัวเราเปรียบเทียบกับร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่น สมมตินะร่างกายคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเวลาเขาเป็นอะไรเร า, เราทุกข์กับเขาไหมไม่ทุกใช่ไหมแล้วร่างกายอันนี้ทำไมเราต้องไปทุกข์กับมันด้วยไห น, นเมื่อมันก็ไม่ใช่เป็นร่างกายของเร า, เร า, เ, ราเราก็ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ในวิธีเป้าหมายก็คือการการการสอนให้ใจรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมัน เราไม่ทุกกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องไม่ทุกกับร่างกายที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราไม่มีชาติสีเราก็จะเราก็จะวางเฉยไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเรามีชาติสีเราก็จะวางเฉยเราไม่อุเบกขาเราก็จะไม่ทุกกับมันได้ที่เราทุกกับมันเพราะว่าเราไม่มีชาติสีที่ประยุทธ์ความยุติในร่างกายไม่มีชาติสีประยุทธ์ความหลน ที่ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรา๋ ต, ตอนนี้เอาว่าบริการได้คล่องขึ้นนะจ๊คะค่ะคือเดิมมาสวดมนต์เป็นหลักพอชอบเสียงสวดมนต์ชอบชอบฟังบทสวดนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าตอนนี้บริการได้คล่องขึ้นอพอสมควรก็กราบขอพระคุณพระอาจารย์ที่สองให้น้อง <Hey. S 2> ถังสวดมนต์แล้วให้บริการเพราะว่าเขาสั้นกว่าแล้วก็ว่าทำให้สนุก ตอนนี้เราอยากทำจิตให้สังบถีาสงวบแล้วปล่อยวางร่างกายได้ไว้ให้มันเป็นร่างกายของคนอื่นได้ถ้าไม่สังบมันจะไปยืดไปติดทันทีถ้าสังวบเราจะไม่ทุกกับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะไปเกาะติดยืดตัวเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีต้องใช้สมาธิแยกมันออกจาก ออกออกจากกันเัาใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปหลงว่ามันเป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ว่าบางทีก็คิดได้บางทีก็อาจจะมีกบ้างมันยังไม่สเขียนใ ช, ใช่้ยมจอมข้าราชารค่อยๆก็อุเบกขาเรายังไม่ยังไม่มีกำลังมากค่ะค่ะยังวางเฉยไม่ได้ยังยืดยังเกร็งอยู่ มากมากจริงค่ะเพราะเราเราอยู Estamos, mm ่ก hmm. ับเขามาสี่สิบกว่าปีเหมือนก็เราก็เราคิดว่ามันไม่มันไม่เที่ยงแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นเราอยู่อ่ะอาจารย์ใช่ก็ต้อมองว่าเขาเป็นแค่อาการ 3.2 ไม่มีเราอยู่นะไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี่เราอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงหนังไหมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเอ็นไม่ตรงไหน อันนั้ก็ไม่มีตัวใจเหตุผลมาแก้ความหลงเอ๋ยจะไปหัดท้องกับน้องๆนะเจ้าค่ะเ อ, อคิดว่า <laughs> ค่ดว่าช่วยได้แล้วลองแยกอาการสามสิบสองแยกออกมาจากร่างกายเอามากองให้เป็นของกองผมพกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งถ้วมองดูเส้งนต้นตัวเราอยู่ตรงไห น, นในในสามสิบสองกองนี้เจ้ค่ะเจ้ค่ะ แล้วก็มีคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะเดี๋ยวเปิดคนอื่นมีคำถามเพิ่มจะรีบถามนเจ้าค่ะคือเวลาเราปฏิบัติอต่เจ้าค่ะแล้วมีเพื่อนๆหรือคนรู้จกักเขาช่วยเราไปทำกิจกรรมแล้วเราก็เหมือนเรามีเวลาน้อยอยู่แล้วอยากจะอยู่บ้านปฏิบตัติเราก็แต่ไม่กล้าพูดตรงๆว่าเราเราอยากปฏิบัติเราสวดมนต์เราภาวนาเพาราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไม่เหมือนกับว่า เขาชวนหลายๆรอบแล้วเราปฏิเสธอางทีเขาก็เข้าใจผิดว่าเราเราหยิ่งหรือเปล่าหรือว่าเราแบบไม่อยากสูงสิงกับเขาหล่อจริงๆไม่ใช่เราอยากแค่อาจจะใช้เวลาที่มันมีน้อยอยู่แล้วเพื่อปฏิบัติธรรมค่ะเราควรจะอธิบายตรงๆหรือไม่ควรพูดเลยดีค่ะอาจารย์เพราะว่าพูดพูดคําจริงอ่ะดีสุดถ้าจะพูดก็พูดความจริงถ้าจะพูดไม่พูดความจริงก็งอย่าไปพูดอะไรเลยค่ะ ค่ะค่ะคบอกว่าเรามีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ก็ได้อืมค่ะต้องข่าพาณเพราะว่าไม่อยากเขามีอคติเนี่ยให้เขาแบบไม่แบบไม่แบบแบบเขาเนี่ยอเขาจผิดอันนี้เป็นกิเลสอันนี้ก็เป็นกิเลสเดีราไม่อยากไม่ได้เขาจะเขา้าใจผิดเราก็ห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> เขาจะมีอคติแเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราต้ อ, องเราก็ต้องพร้อมที่จะให้เขามีความคิดอ่านของเขาเอง เขาจะไม่อยากจะเข้ากับเราก็เราก็ยินดีนะถ้าเราจะไปทางธรรมนี่เราต้องเาต้องไม่แทร์เรื่องของคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเสียหายโดยตรงเราเป็นเพียงแต่ทําหน้าที่ของเราในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเราไปทําให้คนอื่นเขาไม่ไม่พอใจอนี่ก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอะธิบาย ตอนที่เราบวชเาไม่ไปบอกใครที่เกียดเวลาไปอธิบายบวชทําไมอย่างโน้นอย่างนี้ไเงียบ เ, เลยคนเดียวทรมายจะเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเพราะถ้นเป็นตัวคนเดียวาจะอธิบายง่ายแต่พอมีลูกเรื่องเขาก็จะมองว่าอา้าวแล้วเธออยากปฏิบัติแล้วคนอื่นเขาอยากออกจากบ้านทําไมเอาตัวเองเป็นหลักมันก็โอ้ดุงตุงนานต้องอธิบายกันยืดยาวแต่เข้าใจที่พระอาจารย์สอนไหมคะก็จะพูดสั้นๆ เราไม่รู้าษาก็เขาจะเขาจะเข้าใจผิดเราก็ห้ามไม่ได้ค่ะถ้ารู้ว่าพูดแล้วไม่รู้เรื่องอย่าไปพูดใลยเสียเวลานี่แหละเราไม่เข้าใจหรอกเรื่องเรื่องเรื่องสปิเรชั่นแนเขาไม่ค่อยเข้าใจกันถ้าไม่ได้ศึกษามันจะพูดกันไปรู้เรื่องมันเหมือนกับภาษาภาษาเหมือนนิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยเรามาพูดนเคลียรฟิสิกส์เลยฟังแล้วไม่มีมใครจะฟังรู้เรื่องมั้งมันไม่มีหรอกเรื่องเรื่องเฉพาะกิเรื่องเฉพาะตัว อันนี้ต้อค่ะขอบใจเราต้องกลับขอบพระคุณเ้องขอพอาจารย์ขอบพระคุณค่ะบางทีเราก็ต้องยอมเสียสละสิ่งสิ่งอื่นไปเพื่อให้เราได้สิ่งที่สําคัญกว่าที่จําเป็นกว่าไม่ยงนั้ก็จะไปไม่ได้เราก็จะติดอยู่กับคนนั่นคนนี้ติดกับความรู้สึกของคนนั่นคนนี้เลยก็ไปทําอะไรเองไม่ได้ เราไปคิดว่าตัวเองเห็นแก่ตัวบ้างควาจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวการไปทางธรรมนี่มันการไปรักษาจิตใจให้ให้พ้นทุกข์เป็นเหมือนไปโรงพยาบาลนะไม่ได้ทำไมเวลาร่างกายไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลได้ไม่มีใครว่าเลยเพราะเข้าใจใช่ไหมแต่เขาไม่เขา้าเจเข้าใจเรื่องเวลาใจไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันอันนี้เขาไม่เข้าใจก็เลยพูดไม่ได้ผู้เรื่องใจเนี่ยพูดยาก ล้วเขาไม่เคยได้ศึกษามากก่อนงั้นอย่าไปพูดให้เสียไม่คุ้ะภาษาพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยกุคงจะไม่รู้เรื่องเอาค่ะขอใจเราทบทกละเข้าใา ค, คน ะ, อะอขอบคุณเราไม่มีแล้วะไะขอให้พระเจา้าทาตขันแข็งแรงนะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะเห็นค่ะคุณจ<า>ุ๊บ<า>เป็นภาษาญี่ปุ่น อย่ามาพูดภาษาญี่ปุ่นที่นี่นะพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะนวัตสการเ <laughs> จ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ขนมีคําถามเจ้าค่ะอย่างเมื่อกี้ภาษาไทายนะภาษาไทยเจ้าค่ะค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ที่พี่คุณคุณจิ๊บเขาเข า, เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่นะคะพระอาจารย์สมมุติว่าถ้าสมมุติคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่คือท่านยังไม่ไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะ แล้วเราเห็นว่าท่านก็มีเงินแต่ละเดือนที่ท่านจะดูแลท่านได้เกิดถ้าเราแบบหนีไปบวชเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเราหนีไปบวชเป็นการเห็นแก่ตัวเปล่มันก็ต้องเห็นแก่ตัวอะทําไมเห็นแก่ตัวแบบนี้มันเสียหายตรงไหน่ะเราไม่สบายแล้วก็ไปรักษาตัวเราก่อ น, นอใจเราไม่สบายใจเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องไปรักษาใจพระเจ้าก็มาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ทุกข์นะท่านก็เห็นวิธีจะรักษาใจก็รักษาความทุาไหร่นี้ก็ต้องไปเป็นนักบวชไปบวชท่านก็ไปบวชพอท่านรักษาใจหายแล้วท่าน ก, ก็กลับมาช่วยรักษาใจของของพ่อของแม่ต่อไปอืมจ้ะค่ะันเห็นกับตัวตรงไหนค่ะแต่เห็นการตัวแต่ไม่เห็นการการตัวที่ดีใช่ไหมที่มีคุณมีประโยชน์ เบื้องต้นเราก็ต้องรักษาตัวเราให้หายก่อนเมื่อเราหายแล้วเราก็รู้จักวิธีรักษาแล้วก็จะมาบอกคนอื่นต่อไปที่นึงไม่ได้เก็บความรู้นี้ไว้ถ้าผู้เจ้าเก็บความรู้นี้อาจจะอาจจะว่าถ้าเกิดเห้แก่ตัวก็ได้เข้าใจแล้วจ้าค่ะอาจารย์อืมก็มีเท่านี้แหละค่ะพระอาจารย์เทคิดจนนี้ไม่บวมเลย ปีสิบปีหนูตั้งใจไว้อย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ปีเจ็ดสองค่ะพระอาจารย์หนูตั้งใจไว้แต่ก็คิดว่าแต่แต่คือหนูหนูรู้สึกว่าพระอาจารย์โชคดีจังเลยที่ได้แบบได้เจอวัดแบบวัดป่าบ้านตัดแต่หนูยังหาสำนักอยู่ไม่ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็หาไม่ได้เยหาไม่ได้เลยมันมีมันเดี๋ยวนี้ยังไงอินเทอร์เน็ตมันมีวิธีค้นหาสำนักต่างๆแอ่มันก็ มันก็ต้องไปไปไ ป, ไปแต่ละวัดก่อนอาจจะหาวัด น, น้กก่อนแล้วไปแล้วพอพอไปแล้วมันก็จะถามคนนั้นถามคนนี้ต่อแล้วนอกจากวัด น, นี้น่องะมีวัดหนอีกบ้างมีอาจารย์ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้หนูหนูก็เล็งเล็งวัดที่อุดรไม่ใช่วัดนะคะเป็นเป็นสำนักแม่ชีที่อุดรไว้ค่ะพระอาจารย์ออดีมันต้องมีถ้าเราค้นหามันต้องเจอยิ่งแถวทางททางอีสานเนีมีั ด, ว, ดวัดปฏิบัติธรรม สายนองปู่ม่านเท่านั้นนะหนูได้ฟังคําตอบพระอาจารย์วันนี้แล้วหนูก็เออดีใจจังเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเราเหนีไปก่อนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนการผลักพลาให้น้องหรือว่าผลักพลาให้เขาดูแลกันเองนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมก็เคค่ะพระอาจารย์กขอบขอบพระคุณเจ้า <c> ค <oughs> ่ะอาเถอะเดไปที่ท่านต่อไปคุณลูกตาล <c oughs> วันนี้คุณแม่ไม่อยู่ลอะอออยู่ข้างข้างมไม่เห็นนมั ส, สการค่ะพราจารย์่าทุกท่าน่าจค่ะเป็นไงสบายดีค่ะวันนี้ก็ไปที่ที่นากุฏิมาค่ ะ, ะคิดว่าเห็นนะแต่ไม่แน่ใจเพราะเห็นมาเห็นเข้ามาคนเดียวคุณแม่ไม่ได้เข้ามามใช่ไหม คุณแม่มเขา<น>้ามาถวายนั่งฝนมันตกกันแล้วขาของไม่เอเห็นต่ตุกตาแต่ไม่แน่ใจเป็นลูกตาเบอกเขารู้สึกว่าจะใส่ใส่แว่นส่หน้ากากเขาไม่ได้ได้อใส่แว่นตาใช่ไหมเขอ่าเลยท้องสงสัยยัไงไหเป็นลูกตาแล้วหละะวังลไม่กล้าทกใส่แว่นไปค่ะอาจารย์อปกติใส่คอนแทคเลนส์อ่าเรไม่ได้มาคุณแม่ด้วยกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เพราะหน้าตาคนเราเดนี้หน้าตาคล้ายกันเยอะ อยนี้หน้าตามีสัญญกรรมหน้าหน้ า, นาตาเหมือนกันหมดมาเพิ่มเดือนเลยเป็นยังไงมีอะไรมั่งไหมมีอะไรจะเล่าไหมมีอะไรจะถามไหมไม่ได้ยินเสียงเลยฝนมันตกปะคะที่บ้านก็ฝนตกอยู่เลยไม่ใช่ค่ะตอนที่ไปที่หน้ากุดนะคะอ่ามันตกเปล็ลอย แต่แล้วเข่าหนูว่าเขา่าเข่าข้างกว่าไม่ค่อยดีอะค่ะมันเสื่อมระดับสี่แล้วหนูก็เลยไม่กล้าเดินไปกลัวลื่นนะะเออเดีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็เลยให้ลูกตาลเข้าไปถวายของคนเดียวค่ะอืมก็้วถ้ามีโอกาสไปได้ก็จะไปเพราะว่าเวลาไปฟังธรรมและฟังธรรมหรือมาเข้าซูมเนี่ยมันจะทําให้มีกําลังใจกําลังใจขึ้นนะคะแล้วยังสมาธิดีไหมดีค่ะวันนี้วันนี้บรรยากาศเป็นใจนะคะ อ, อ่าเย็นเย็นดีนะสบายเงียบ ถ้าคนเยอะแต่ก็เงียบสงบมากเลยค่ะอ่ารู้สึกทุกคนนั่งใจแต่มันนั่งสมาธิกันนะค่ะทําไมต้องมานั่งรวมกันไม่นั่งคนเดียวมันไม่มีกําลังใจนะไม่ได้นั่งรวมกันเรามีพลังค่ะพระอาจารย์มันรู้สึกว่าเราต้องนั่งไปได้นะเพราะมันมีเป็นความตั้งใจแต่เรานั่งไม่ได้เราจะอายอายอายคนนังนค่ะ <c oughs> มันเหมือนไปเติมไปเติมพลังใจด้วยค่ะพระอาจารย์เจอกันหมดยัดเคยกันนะคะอาจารย์นี่ยังถอดถอดเทสอยู่หรือเปล่าถอดทุกวันค่ะ ท, ทุกวันเลยทวันอันนี้เป็นของล่าสุดหรือว่าของเก่าก็ตอนนี้ไล่ทํา ม, มาถึงเดือนกันยาแล้วค่ะอ๋อกันยา ใ, ใกล้แล้วน ะ, ะทุกทุกวันเล ย, เลยทุกวันเลยค่ะต้องได้วันละหนึ่งก็คือเหมือนเป็นแบบ เป็นการเรียนเป็นการเรียนไปในตัวในเวลาถอดเท่เลยก็คือได้ต้องต้องคือวันหนึ่งก็ต้องฟังธรรมฟังธรรมด้วยปฏิบัติแ้่ก็การถอนนี้พระใจก็เหมือนเป็นการฟังธรรมไปเลยมีชาวอินโดคนหนึ่งก็ฟังทุกวันแล้วก็ออกไปแปลเอาใช้ Google แปลเป็นภาษาของเขาอันนี้เขาว่าสนใจปฏิบัติมาก ฟังทุกวันคือดีมากค่ะพรอาจารย์แล้วก็เราเราจะเข้าใจมากขึ้นอืมมันก็เป็นเรื่องเก่าไงแต่พูดแล้วซ้ำบ่อยพูดซ้ำๆบ่อยๆมันจะได้เข้าใจพูดในแต่ละแง่แต่ละมุมไม่เหมือนกันนะต่อไปก็จะจับประเด็นหน้าธรรมะขุนเจ้ามีแค่นิดเดียวให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอปฏิบัติศีลทานศีลภาวานาให้นี่เอง โอเคมีอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวเดือนหน้าว่าจะจองขึ้นเรือนปฏิบัติธรรมที่อ่านี่ไม่ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะอาจาจองอยากไหมที่ที่้อกจองอยากไหมหนืทุกครั้งจองก็จองได้ทันทีทุกครั้งจองก็จองได้ไดเลยเ อ, อ่าแสดงว่าคนไม่มากนะนไม่มาจองมากโอเคสาธุ อ่าคุณสาธกาชายนาณี่อําเภอเมืองหรือเปล่าแล้วอยู่ที่อําเภอไหนอวัดสิงค่ะพระอาจารย์วัดสิงค์ค่ะค่ะห่างตัวเมืองสิบประมาณสิบกิโลค่ะอืมรู้จักอําเภอสันบุรีเปล่าอ่ารู้จักค่ะแต่ว่าอะแค่ผ่านๆไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยอยู่ไกลอยู่กลจางที่อยู่ไหมยอยู่ก็ ก็ก็คงไกลหลายกิโลค่ะอาจะไม่เคยไปที่นั่นเลยท่าไหร่ลูกอะ่ะปกติคืออยู่แต่ในบ้านนี่เลยคนะ่ะอืมไม่ไปไหนเลยอยู่ที่ไม่ไม่ค่อยไปไหนอยู่กับมแม่ก็คือไปทํางานกลับบ้านแค่นี้นี่ลูกก็อยู่ในนี้นอกจากแฟนจะไปลิ้วลูกไปหาพอ่อลูกไม่ค่อยชอบไปไหนอืก็เลย ในตลาดลูกยังไม่ได้ไปเลยลูกยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงก็ดีไม่ต้งรู้ก็ได้ใด้มันก็เหมือนกันนะที่ไหนมันก็เหมือนกันจริงลูกก็เลยมันลูกแบบนี้แฟนพ่อลูกก็ถามว่าเบื่อไหมลูกก็อยู่ลูกเป็นคนไม่แบบอยู่กับพ่อกับแม่แบบนี้อยู่แล้วนะอาจารย์มันก็เลยอยู่สบายๆไม่อะไรดีค่ะ อ <Okay. S 2> ปฏิบัติกับอาจารย์แพทยครุง่งเรืองจะเป็นหมอรงเรืงองนวะันตการครับพระอาจารย์เป็นยังไงโอ้สัปดาห์นี้ผมที่ไปกราบพระอาจารย์กับครอบครัวนะครับตอนที่ไปนั่งสมาธิที่วัดเนี่ยนั่งได้ดีมากเลยครับอาจารย์ก็ได้ความสงบที่ลึกมากแล้วพอกลับมาผมก็ปฏิบัติต่อครับ แต่สัปดาห์นี้มีความก้าวหน้าตรงที่ว่าเออผมปฏิบัติจเจริญสตวพุโทโธพุโทโธอยู่นะครับอาจารย์แล้วก็ระลึกได้ถึงตอนที่เคยไปบวชเป็นพระครับพระอาจารย์ตอนนั้นไปบวชที่วัดบวรแล้วก็ไปวัดญาณแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์แล้วก็กถึงตอนที่เราสมรวมกับอาจารย์เหมือนตอนเป็นพระเราเราสมรวมเรานิ่งเราทำอะไรเหมือนกับเราเป็นพระนะครับพระอาจารย์มีความเหมือนเข้าใจเลยว่าศีลที่ รักษาศีลให้ดีเนี่ยแล้วก็จเจริญสติไปด้วยปรากฏว่าจิตใจมันก็สงบขึ้นมาแบบมากๆครับพระอาจารย์พอตั้งอย่างนั้นมาผมก็เริ่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราต้องให้สํารวมใจว่าใจใจให้มากขึ้นก็จะทําให้เราเข้าถึงความสงบเข้าถึงสมาธิกับสติเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกครับก็เลยมาเรียนถามพระอาจารย์กับมามาม า, มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังด้วยครับตรงตัง้ง พุทธาบอกศีลเป็นเครื่องสนับสนุนในการสมาธิครับเข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าให้รักษาศีลแปดแล้วครับเพราะว่า<ม>จริงๆถ้าเราปฏิบัติเหมือนตอนเราเราเป็นพระเลยนะครับพระอาจารย์เมืม่อตอนบทพระที่ตั้งใจบทให้ในหลวงตอนนั้นเราก็เหมือนกับคล้ายๆกับศีลแปดเข้าไปใกล้ที่สุดเหมือนกันครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็แทบไม่ดูโทรทัศน์ไม่อะไรแล้วนะครับ<ม>ก็เลยทําให้เวลาเราทํางานหรือเราอยู่กับใครเนี่ย เราจะพูดอะไรเราก็ระมัดระวังแล้วก็รู้ตัวมากขึ้นแล้วก็สำรวมเพราะตอนเราเป็นพระเราจะพูดสนุกพูดเล่นมากก็ไม่ได้หรือจะ mm hmm. หรือจะใจไปคิดตูนคิดนี่มากก็ไม่ได้ครับ mm hmm. ผมก็เลยเออจริงครับเลยเข้าใจว่าก็พบความสุขเพิ่มขึ้นอีกอีกอีกระดับหนึ่งครับพระอาจารย์ mm hmm. ครับ mm hmm. แ, ตแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปอยู่ที่วัดแบบไปเอ่อตั้งใจว่าที่พระอาจารย์แนะนําพระวัดประทุมวานาลาวะนะครับ mm hmm. ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านด้วย เดี๋ยวจะไปปฏิบัติเอตลอดวันสักหนึ่งวันช่วงวันไหนถ้าไม่ทํางานหรือช่วงเป็นวันว่างก็จะไปอยู่อยู่นั่งสมาธิตทั้งวันเลยครับง่ายลองอยู่ครับอันนี้ครับอันนี้ทางไกลครับอันนี้ต้องจะจะทําเพิ่มครับพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันก็ได้ถึงระดับที่เรียกว่าเข้าถึงความสงบได้ง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนก็ยากกว่าจะถึงตรงจุดสงบเดี๋ยวนี้ไม่นานครับพระอาจารย์เพราะว่านั่งปั๊บหนึ่งก็ ใจสงบแล้วก็นิ่งละครับได้วางเฉยได้สบายครับครับพระอาจารย์มีความสุขมีความสุขครับพระอาจารย์แล้วก็ไม่อยากไปอะไรมากมายครับความสุขยอย่างอื่นนี่สู้ความสุขจากความสงบไม่ได้ไม่ได้เลยครับพระอาจารย์มัมนเเบาสบายมีความสุขนะครับผมยังบอกว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ถ้าถ้าตั้งใจนั่งนั่งสมาธิกับพุโทโธทั้งวันกับปฏิบสตินะครับจะมีความสุขขึ้นมากๆเลย แล้วมันจะแตกต่างกันในเชิงทางความคิดอะไรเราไม่ต่างจากเดิมครับพระอาจารย์ก็<ม><ม>จะดีขึ้นมากเลยครับมีความสุขครับเรากับครอบครัวก็ดีกับเพื<ม>่<ม>อนร่วมงานกับลูกน้องอะไรเนี้ยก็ความสัมพันธ์ต่างๆก็กลับดีขึ้นเองครับมีความเมตตามากขึ้นเองครับดีมันเมตตาจริงๆจากข้างในครับ<ม>พระอาจารย์แล้วมันก็จะไม่ไม่ไมอาไปขายเป็นผู้สนับสนุนนะครับพระอาจารย์ต้องผมก็เข้าใจว่าถ้าพยายาม ปฏิบัติเหมือนตอนเรารักษาศีลเหมือนตอนเราใกล้เคียงกับตอนที่เราเป็นผ้านะครับพอาจารย์ให้บางที่สุดเพราะว่าผมนอนตอนนี้ก็นอนที่นอนแบบไม่มีอะไรละที่นอนที่นอนไม่ที่นอนไม่ฟุบหนาหนาไม่ใช่อะไรครับแล้วก็การประดับร่างกายอะไรก็น้อยมากแทบไม่ได้ทําเลยนะครับก็มี้มกนิดเดียวแต่ว่ายังเหลืออยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องเรื่องอาหารนะครับเพราะว่ายังทานอยู่ยังทานหลังเลแต่ต้องแ ต, แต่ก็นึกได้ว่าต้องพยายาม สารวมแล้วไม่ไปอยากทานครับพระอาจารย์ไม่ไปอยากทานก็เหลืออยู่ข้อเดียวที่ยังในเรื่องของศีลนะครับทีนี้ก็ต้องทําเพิ่มตรงที่พระอาจารย์บอกเดี๋ยวผมจะลองไปทาเพิ่มดูนะครับไปนั่งให้ได้เป็นอยู่กับอยู่กับสมาธิให้ได้เป็นวันๆเลยครับพระอาจารย์ เ, เดินจงกลมนั่งสมาธิไปทั้งวั น, นสำหรั บ, รบพระอาจารย์ครับพระอาจารย์กรับมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับแล้วก็กราบพสงฆ ก, การพระอาจารย์ครับอาสาขอพอระอาจารย์ท่านตัดเฉียงแรงนะครับ คุณอุาษาต้าววันนี้ลูกษาวเนี่ยอยู่เลยดิศยามาส ก, การก่บอาจารย์ดิศยาเข้าห้องไปนอนแล้วค่ะอาจารย์อนเลยค่ะโยมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แต่มาฟังแล้วก็มีกําลังใจค่ะจากฟังที่คนเขาพูดน้องๆเขาพูดจะรู้สึกอมีพลังใจมากขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างที่ฟังมาอย่างเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องอะไรแบบนี้โยก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะคะ แต่โยมจะมีปัญหาตรงความใจร้อนของโยมความคิดโกรธแต่ก็มีสติค่ะอาจารย์ยอมหยุดเย็นค่ะแล้วก็มีสติอยู่มันยูแล้วก็หยุดมันได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้ตรงใสันโดดมันจะช่วยตัดความใจร้อนได้ยินดีตามเมตตามเกิดอย่าพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าพยายามให้เป็นอย่างนี้น ใ, นนใช่คือก็<า>แบบอยาทําให้เราโกรธง่ายใช่ค่ะแต่ก็เลยแบบ แต่แต่ก็ดีนะคะจารย์แ ป, ป๊บเดียวค่ะตัดได้แ ป, ป๊บเดียวแล้วก็คิดอืมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคิดใช้วิธีเนี้แหละคะ่ะจารย์อย่างที่บอกว่าเอ้ยบอกคนลิกาไปแล้วเราต้องทําให้ได้ไม่ใช่เราทําไม่ได้แล้วบอกคนอื่นแล้วเราทําไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็ใช้วิธียอมแล้วก็หยุดมันนะคะจารย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ค่ะและ้วแต่มันก็ดีนะคะจารย์มันได้มันได้ทดสอบตัวเราเองเราได้เจอบททดสอบว่าเรามาถึงตรงไหนอะไรยังไงคะ่ะจารยนมัน ถ้าเราไม่เจออย่างนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้หรื อ, อยังเราได้หรือเปล่าแบบนี้ค่ะถูกต้องดีมากค่ะจะพยายามไปปล่อย ว, วางใช่ค่ะีตามมีตามกแต่เรื่อง<ด>ของเรื่องความแก่เรื่องอะไรนิยมไม่ได้กังวลกับมันนะคะตั้งตั้งแต่ไหน<ม>แต่ไรบางทีก็จนมิงบอกว่า มีเส้นบางๆระหว่างอุเบกขากระซบมกแล้วค่ะจันไม่แน่ใจแต่จริงๆไม่อะค่ะมันไม่เราไม่ได้ไปยึดติดกับเรื่องของความสวยความงามอะไรอย่างเนี้ยค่ะผมเเผาก็บางวันก็ลืมหวีมันอาบน้ำเสร็จก็รวบรวบผูกไว้อย่างนั้นนะคะจารย์ันไม่ได้ห่วงเรื่องสวยเรื่องเจ็บเรื่องป่วยอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรค่ะดีค่ะสาธุค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอจะตั้งใจทําต่อไปค่ะสาธุค่ะ อ่าคุณคุณปุ้ยรักเสมอการนมัสการค่ะอาจารย์คุณปุ้ยค่ะอ า, <ม>าจารย์ได้ยินได้ยินชัดเจนจ้าคุณปุ้ยสบายดีค่ะไม่มีปัญหาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมกลางวันก็ถือศีลเจ็ดกลางคืนพอเย็นตกเย็นก็ถื อ, อศีลแปดสวดมนต์เนี่ยนี่อย่างที่เบานี้อาเทมาเบานี้ ประภาค่ะพระอาจารย์ทําไมอะมันเหมือนกันทุกประเทศเลยก็ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมพระอาจารย์ยมอ่ะเออนอกจากว่าโอเคถ้าเกิดวันไหนวันพระยมไม่ออกไปข้างนอกอย่างวันนี้ยมออกไปข้างนอกโอเคยมก็ถือศีลเจ็ดทั้งวันนะแล้วก็พอพอก่อนก่อนหกโมงยมก็ถือศีลแปดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคือคือเราก็ต้องมีทําธุระนะฮะพระอาจารย์ยังอยู่บนโลกมนุษย์แต่ถามว่า โยมกลัวไหมที่จะออกไปและโยมกลัวไหมที่จะทําผิดศีลโยมไม่กลัวหรอกเพราะว่าโยมมีโทรศัพท์แล้วโยมเอารูปพระจานทร์เอาไปใส่ในโทรศัพท์พอพอโยมออกไปโยมก็จะจ้องเอ่อรูปรูปพระจานทร์รูปหลวงปู่มันเพราะโยมจะบอกมันจะเป็นการเตือนสติโยมว่าเออเอต้องไม่ชิดเจินนะเวลาคุยอย่าเชิเจินนะอะไรอย่างเอย่าพูดเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ คือยมคิดว่ายมคงไม่ไม่ไปเดินทางโลกแล้วเพราะยมเบื่อมันมีแต่ไอ้พวกที่ว่าความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดยมยมมีความสุขที่จะทำอย่างเนี้ยถือปฏิบัติไปเรื่อยๆเอ่อยมสงบค่ะเพราะว่าถ้ายมไม่ได้เจอพระอาจารย์ยมก็คงจะไม่ไม่ยืนอยู่ตรงจุดนี้เพราะยมรู้สึกว่าสงบใจสบายแล้วก็มัน มันไม่โมโหง่ายอ่ะพระอาจารย์ยมเป็นคนที่โมโหง่ายขี้โมโหแล้วยมรู้สึกปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่โวยวายไม่อะไรอย่างเงี้ยคือใจเย็นลงอะไรนะคะดีพระอาจารย์ดีมากใช่ยมก็เลยตัดสินใจว่าไหนไหนทำมาแล้วสามปีถือสินแปดเออเราไม่กินข้าวเย็นอ่ะเราถือสินแปดอ่ะยมก็ทำไปตลอดคือคงคงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วค่ะ อนอกเสียจากว่าโอเคลูกมากินเลดไปหน่อยไม่เราไม่ได้กินเรากินก่อนเนาะปกติเราจะกินก่อนเที่ยงพอลูกมาเรากินแบบเออไปถึงบ่ายโมงเขาก็รู้เขาก็ไม่ว่าอะไรค่ะเอพระอาจารย์วันเนี้ยวันเกิดลูกโยมโยมก็เอขอให้ลูกโยมเป็นคนดีขอบารมีพระอาจารย์โยมจะมกากราบขอบขุกคุณพระอาจารย์ด้วยเพราะบารมีของพระอาจารย์ทำให้เขาแบบเปลียนจิตเปลี่ยนใจเลยค่ะเขาใจเย็นลงค่ะอืม ดีช่ อ, อยที่การกระทําของเขาคนอื่นทาให้เ้าดีให้เขาชั่วไม่ได้แล้วคนอกจากสอนเขาแล้วสอนได้สอนให้เขารู้จักดีเชื่อได้แต่เขาจะดีจะเชื่อเนี่อยู่ที่ตัวเพราะว่าเขาจะทําดีหรือทำเชื่อจริงค่ะโยมเชื่อเรื่องนี้โยมก็เลยเลยโยมก็เลยคิดว่าโยมเดินมามากกว่าครึ่งร้อยแล้วโยมต้องเดินทางทำและทําเนี่ยอาจจะช่วยเหลือลูกโยมได้ค่ะถ้าช่วยไม่ได้<ม>ก็ต้องทําใจ ค่ะโยมดีใจมากเลยที่ได้เจอพระอาจารย์โอดีใจแบบดีใจมากๆแบบเหมือนเหมือนกับถูกระงวนที่หนึ่งเลยอ่ะโอ้โห mm hmm. แบบเพราะว่าเหมือนกับโยมได้เกิดใหม่ไปอีกชาติหนึ่งเพราะโยมไม่เห็นหรอกนะพระอาจารย์โยมไม่ได้มีจาทิพหรือว่าไม่เห็นอะไรหรอกแต่มันเป็นเพียงแค่ว่าการที่โยมเดินทางปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทําให้โยมใจเย็นลงและโยม รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใครที่จะช่วยได้ใครที่เราจะช่วยไม่ได้ไไดและอะไรที่อะไรที่เรื่องจริงอะไรที่เรื่องไม่จริงเหมือนอย่างกับมีฝรั่งน่ะเขามาเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของโยมเขามาขอความช่วยเหลือโยมจะรู้เลยว่าเออคนนี้ไม่ดีนะคนนี้เออเออเขาขี้โกงเออเราก็ไม่ไปช่วยเขาโดยยมก็ไม่บาปใช่ไหมคะพระเจ้าพระอาจารย์ ไม่บเราไม่ใช่ช่วยเขาห่อเพียงแต่ไม่ได้บุญเทนั้นเองใช่เพราะว่าคือคือเขาเขาไม่ซื้อตรงน่ะพระอาจารย์เขาไม่ซื้อตรงกับรัฐบาลแล้วยมกลัวว่ายมจะบาปถ้ายมไปช่วยเขาเพราะมันเป็นเพียงแค่ว่าคิดอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่ทราบแต่แต่ถ้าเกิดยมบอกไปในวิธีการคิดของเขาอะเขาจะสว่างแต่ว่าเขายังติด เที่ยวติดอะไรและอายุเขาก็เท่าโยมแล้วแล้วเขามาซอกแซกมากเลยโยมก็เลยเ อ, อบอกบัตรเขาไปเลยคือเราเราไม่ได้ว่าบอกไม่ดีแต่ว่าเราก็สุภาพและเราก็เลยคิดว่าเอะสงสัยว่าพอเป็นเพราะเราเดินทางทำมันทําให้คุณไม่ดีกันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะโยมก็คิดเอาเองอะค่ะใช่คนดีกับคนไม่ดีมักจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ะใช่เหมือนสิ่ดไม่เสมอ น้ำมันเนี่ยจะผสมมันยังไงมันก็จะไม่ย้อมอยู่มันร่วมกันจะแยกตัวออกจากกันค่ะคนดีกับคนไม่ดีก็แบบเดียวกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกโยมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยโยมใจเย็ยนลงแล้วอารมณ์ดีขึ้นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายเหมือนกับคุณหมอคุณผู้ชายอะ่ะที่พูดตะเกียบโยมก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้น<อ>นะคะเป็นหมอี้ปลากายแล้วนะป็นหมอนั่งสมาธิเยอะ กิจสงบไม่อยู่เบิกขายเอะไม่ีความสุขเราก็จะไม่อยากจะไปทําอะไรให้ใครคนอื่นเสียหายเดือดบ้อนใช่ใช่แล้วมันมันมันรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งโลกอะไรข้างนอกกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะอือฮะโอเคดีมากพยายามปฏิบัติให้มากนะอย่าทิ้งมาถึงตอนนะใกล้ถึงนิพพานแล้วรีบเร่งหน่อยเดี๋ยวจะทำคมนิพพานให้ได้ก่อนตาย ชายโยมโยมต้องเร่งแล้วเพราะว่าโยมจะตามพระอาจารย์ไปโยมจะไปเจอหลวงปู่มั่นโยมจะไปบอกหลวงปู่มั่นขอเป็นลูกอืค่ะพระอาจารย์ขอกราบกราบขอบพระคุณค่ะขอให้พระอาจารย์พาสุันแข็งแรงเจ้าค่ะขอให้สุขให้เจริญให้สมหวังในทุกสิ่งทุกประการเถอดสาธุที่ขอให้โยมถูกหวยนะคะพระอาจารย์เอ่าไม่ดีนะอบายมุกเนี่ย การพนันเลิกได้เลยกได้ก็เลิกเถอะเอิกเลกข่วยไทยเล่นเล่นแบบเป็นกิจวะไม่ได้เล่นเป็นกิจวัตรอาจารย์เล่นแบบเหมือนเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทาบุญเล่นหรอทําบุญเล่นแบบทําบุญนะฮะอถ้าถ้าไม่ถูกก็ถือว่าทําบุญไปก็แล้วกันใช่ไหมใช่ถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะ ยอ ม, มคิดว่ายมคงไม่ถูกหวยไทยหรอกแต่ถ้าหวยฝรั่งยมอาจจะถูกดถถกีถ้าถูกก็ถือว่าเป็นบุญของเราก็แล้วกันแหละถู ก, ถกค่ะพระจ้าครับขอบพระ ค, คุณเจ้าไม่ไี่คุณนิงต่อคุนิงคุนงหลับหรือเอล่าพอพาไปลวคุนจะหลับมนดีนเสียง <laughs> นั่งหลับย้นไปที่จอยก่อ น, นจอย ใช่ค่ะเพราะฉวันนี้หนูทําครบสามอย่างเลยค่ะเช้าใส่ไปฟังเทสแล้วก็ตอนเย็นเข้าสูงอ่าตอนบ่ายนั่งสมาธิป่ะนั่งค่ะนั่งไหวไหมนั่งได้ไหมนั่งได้ค่ะนั่งไหวอยู่แล้วก็รู้สึกถึงแอะไรอะเรียว่ามันมันขามันชามันแบมันเบาอ่าร่างกายจะเป็นอะไใจก็ไม่เดือดร้อนไงใช่ค่ะเอามาเก่า อ่าวันดีครับตอนเช้าไม่เป็นอย่างนี้ตอนเช้าเหมือนซื่อบือ้อผมเป็นยังไม่เต้นยังเอนไม่พอเน่นอนแบบนี้เนี่ยตอนเช้ามันก็นอนไม่พอเลยใช่ค่ะเข้านอนดิพอจะหลับคาหุ่มแต่บอกว่าเขาเออที่หนบอกว่าคาตาว่ามาแถ่เพราว่าตอนเนี้ยเขาอ่ะไปอยู่กับน้องสาวเขา ใครจะมาใครจะไปก็เรื่องของเขาเลยอย่าไปกัวงวลอย่างเท่าเลยเราห้ามเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ถ้าหาหนูหนูจะถามว่าอันนี้มันถ้าเขาทําให้เราทุกข์ใจคือเขาเป็นมานเราใช่ไหมคะไม่ใช่เราทุกข์ใจเราเราทําตัวรอให้ทุกเองเราไปยึดไปติดเขาถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเขาเราจะไม่ทุกข์กับเขาเราค่ะและ้วส่วนแสว่าหนูก็คือต้องห้ามที่ตัวนเองเพราะว่าพอหูอยู่อย่างนี้เขาก็ชอบโทรมากวนหนูตลอดเลยไงอก็ อ, อย่าไปรับสายเลย โดรมาก็อย่าไปรับสายคือตอนหนูไปฟังเทศอะคะ่ะหนูิดโทรศัพท์ใช่ไหมคะพะเปิดบารโไอ้นี่หนูใหญ่เนียว่าทำไมหนูไม่รับหนูบอกว่าวันนี้วันพระหนูบอกแล้วว่าพะต่อไปหนูจะมาฟังเทศพยาพยามพยายามอตัวเองให้มากขึ้นนะคะแต่แค่นี้ไม่ได้ตัมเงินค่าสุดแลวหรอนั่งนั่สมาีินั่งยังไงสวดมนต์แล้วพุทโธแล้วดูลงแล้วทำยังไง อูดโทด้วยแล้วก็บางทีก็ดูรวมแล้วกบ็บางทีก็พยายามอยู่กับความที่แบบว่าเวทนาเกิดอะคะอ่ะความเจ็บขอตัวเองแต่อดทนที่จแบบเจ็บก็เจ็บไปอย่างนี้ก็อยู่ได้นั่งได้ น, ไดนั่งได้ค่ะอยู่ได้ใจเย็นลงใจสบายขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นเพราะว่าคือเรามีความอดทนได้มากขึ้นกับทุกทุกอย่างที่เราเจอะคะ่ะเราหนุนเฉยได้ ใช่ค่ะแต่บางทีทนได้เพราะว่าบางคนชอบมาแว้บๆใส่อย่างเงี้ยบางทีแต่ก็แต่ก็เข้าใจว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นก็พยายามพยายามใช่พุทโผู้ทผุโทโธหนึ่งใจไว้ค่ะดีเนี่ค่ะที่หนูแบบได้เข้าซูมได้อะไรขัดต่อจิตใจหนูไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะอ่ะค่ะโอเคสาธ <c oughs> ุ <c oughs> คุณนยังหลับอยู่เลยยังขอภาพอยู่ไ ป, <ม>ไปที่ไกลก่อนอั น, นี้คุณมาริกามาริกา กับนมาตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตระหนักถึงพระอาจารย์ก็ก็ที่พูดั่าแต่ที่ที่แล้วนะครับพระอาจารย์อาทิตย์นี้นั้นมันเจริสึกอย่างหนึ่งก็คือพ่อชีแล้วก็พ่อจะเรียกทุกคืนแล้วพระอาจารย์ก็เรียกเรียกมากกว่าสีครั้งก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามารับใช้พ่ออยู่แล้วท่านจะเรียกกี่ครั้งก็พ่อยินดีต้องดีใจ ก็อาจารย์ง่วงนอนค่ะอาจารย์ก็ไปเช็กจุดสุขภาพพบว่าเป็นโลหิตจางนอนน้อยค่ะอาจารย์ก็นอนนอ้อยก็แต่ว่า ก, ก็พยายามที่จะทำจุดนี้ให้ดีที่สุดว่าเมื่อเป็นพ่อก็อายุมากแล้วแต่ก็เคยภูมิใจว่าเออตัวเองเออนะวางได้เบกขาได้เลยได้ แต่เมื่อเจอกับการที่ว่าพ่อพ่อเรียกแต่ว่าพ่อบอกว่าพ่อฉี่เอากระถินไปเทแต่มาดูแล้วพ่อไม่ได้ฉี่พ่อหอมพ่อดนก็นอนกับว่าดันก็เลยพ่อหลงพ่อหลงเลยว่าน่าไหมคนอายุมากใช่ค่ะก็เออเลยเออบอกขึ้นขึ้นมาแป๊บนึงว่าอะไรอ่ะบอกว่าขึ้นอะไรอย่างมันก็มันปี๊ดขึ้นไปแล้วก็กว่าจะได้เอาลงได้ ผู้กับคุณอาคุณาว่าโอ้โหกว่าจะได้ดึงมันลงได้นะพักหนึ่งเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ที่คนหลงตัวเองว่าเออเราทําได้ไม่เป็นไรอืเรามีความสุขก็บอกพระอาจารย์ว่าช่วงที่ว่าพ อ, พ, อพ่อฉีเสร็จแล้วช่วงตีสามเราก็ได้นั่งสมาธิต่อแต่ตอนหลังช่วงที่อดีตทีท่ผ่านมาเนี่ยกั็จะนั่งไม่ได้เลยกับพระอาจารย์เพราะว่าจากภาวะของโลหิตจางค่ะพระอาจารย์ แต่เป็นว่าเป็นโรยีกลางในเรื่องของว่าเราไม่ได้นอนกับอาจารย์อืมแต่นั้นก็เป็นภาวะที่นั้นแต่ว่าก็ก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็ก็พยายามนอนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นใช่ใช่ร่างกายก็ต้องการว<น>่ า, ราผ่อนแบบนอนเหมือนกันใช่ใช่จ๊ะรับพระอาจารย์ก็ก็แต่ว่าพอโทรนพระอาจารย์กพ็พอถึงวันพูดแบบนี้นะพ่อไม่เคยเรียกพ่อแมอ่พ่อไม่เรียกแล้วป ก, กติแล้วช่วงนี้พ่อจะเรียกแล้วพ่อจะเรียก ก็จะเรียกแล้วรบกุ้งฉี่แล้วว่าจะรู้ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ว่างตอนนี้ก็เลยไม่มาไม่อยากจะรบกวนเราก็ไดนน้นั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคะับอาจารย์แล้วก็พอเมื่อวันนี้วันนี้ไม่เพราะว่าต้องพักผ่อนเหมืที่พระอาจาย์ว่าก็หลับนะได้หลับแล้วพักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็อยู่บ้านถ้าสวดวนตลอดเลยครับอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ว่า พ่อนั่งตรงไหนออกกําลังกายก็มีมีเครื่องออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านพ่อไปออกกําลังกายแล้วก็พ่อสวดมนต์ตลอดพ่อสวดมนต์ตลอดเพ่อสวดมนต์นู่นนี่นั่นของพ่อนะก็ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งว่าขอให้พ่อได้ทําในจุดนี้ถ้าพ่อจะได้ไม่ทุกข์ก็พ่อเคยบอกพ่อว่าพ่อจะเป็นคนที่คันได้ตรงข้าเท้าคระอาจารย์ ที่ปวดเท้อกว่าเอ่าของพ่อจากขันแล้วพ่อก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าพ่อต้องลุกขึ้นบ่อยอาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะนั้นเนอะลูกก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําไดา้แต่แต่บอกว่าอาจจะว่าเราคิดว่าเราดื้อในสมัลลยเด็กๆหรือเปล่าที่ว่าชอบเดีย<ม>นแบบการงานดีเลย ให้อยู่ใน<ท>ปัจจบุบันดีกว่าอย่าไปคิดให้เสียเวลานะอดีตมันผ่านมาแนละ้วปัจจุบันทำเลยปัทธรรมปัจจุบันให้มันดีที่สวยก็พอค่ะอาจารย์โอเคนะใน ไ, ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับพระอาจารย์ลูกก็ไม่มีคําถามใช่ไหมพรอาจาอเคอกลับไปที่คุณเองคุณเองว่าไงได้ยินไหมคุณเองเป็นไงเมื่อกี้เข้าสมาธิเลยเงียบไปเลยไดอค่ะ แต่ตอนกลางวันก็ไปอะค่ะพระอาจารย์อมีมีคําถามค่ะพระอาจารย์เวลานั่งนั่งสมาธิไปบางครั้งอะค่ะก็เหมือนมีน้ํำลายไหลยืดออกมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เราก็ก็รู้นะคะก็อยู่กับอกรรมฐานของของตัวเองก็นั่งไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้เราต้องปล่อยไปเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่อย่าไปสนใจแล้วอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้จิตสงบ ต้องไปกังวลการเรื่องอย่างอื่นทั้งหมดตอนที่เรานั่งสมาธิผูกใจให้อยู่กรรมฐ า, านเพียงอย่างเดียวอ่ะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้ใช่ัหมคะ<อ>ปล่อยหมดปล่อ ย, อยหมดไปเลยจะปไปจะตาย<ป>ก็ปล่อยหมดไปเลยให้อยู่กับพุทโธไปถ้าจะเกิดจะต้องตายตอนนั้นก็อยู่กับพุทโธไปตายไปตายไ ป, ตายไปกับพุทโธนะดีที่สุดตายตายไปกับควาสมสงบถ้าถ้าปล่อยแล้๋วจิตมันจะวุ่นวายขึ้นมาทันที ค่ะพระอาจารย์ปรีว่าเมื่อต้องวันก็ได้ยินนะคะพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอกว่าอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือให้อยู่กับกรรมฐานของเราตรงนั้นอยู่กับตรงนั้นไปเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้ามันมโแต่ไปเอาทิ้งกรรมฐานไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้มามันก็จะเข้ากับเข้าสมาธิไม่ได้พรไม่นิ่งมันต้องการให้มันมม น, มนิ่งอ๋อค่ะพระอาจารย์ อ้นนั้นเราก็ถูกแล้วอะหนูก็บอกว่ามันจะไหลจะไหไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกพามาเช็ดก็ได้มาล้างก็ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์อธิวงคือถูกแล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ต้องกังวลหนูกว่าอะอะไรก็เป็นช่างบันเทอรเราก็อยู่กับอะกรรมฐานของเราคะอาจารย์ค่ะค่ะพระอาาร้จสงบมากขึ้นมากขึ้นไปตามลาดับโอ้ค่ะพระอาจารย์้างั้นก็ อ้าถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรค่ะที่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับค่ะพระอาจารย์ก็หก็ปฏิบัติพยายามทำไปเรื่อยๆในวันหนึ่งมันก็จะสงบภายในเราเห็นเองบางที่มันจะมาสงบไม่ใช่มามันมันจะไม่สงบตอนที่เรานั่งก็ได้อาจจะตอนที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรมันก็จะสงบขึ้นมาก็ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์บางครั้งก็นั่งไปเอาก็คือไปแบบ ที่เฉยไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางครก็ปิดค่ะแล้วก็ตอนนั้นทําไมไม่เป็นเต่หนูก็อยู่กับกรรมของตัวเองก็เลยว่าเดี๋ยวก็ตามตอนนั้นเราไปจดจ่อมากเป็นไปไมนแล้วมันอายมันก็เลยไม่โผล่ขึ้นมาให้ห่อยเห็นพอเราไม่ไปจดจ่อมันเไปรอดูมันมันก็เลยโผล่ขึ้นมายังไม่ต้องกังวลนะทํำไปแต่มันนั่งตอนนี้ไม่สงบไม่เป็นไรมันอาจจะไปสงบตอนไหนสักตอนหนึ่งก็ได้ ตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจตอนที่เราไม่ได้คิดถึงมันเนี่ยมันอาจจะมันก็จะโผล่ไปมาได้ถ้ า, าทําไว้บ่อยๆไม่รุ่งร่ากก่อนอ<ต><ร>ไม่ได้ไหมครับนั่งสมาธิต้องสงบทุกครั้งไปที่นั่งแล้วไม่สงบก็ไม่เป็นไรขอให้ได้นั่งให้มีสติไม่ให้ใจคิดไม่เปิยไปอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีอะไรเอปวดขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้ ให้พ่อให้เรากรรมฐานเหมือนเหมือนต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับพ่านอาจารย์ใช่เก่าอ๋อถ้างั้นพ่อหลวงพรหนูได้ฟังเอ้าก็เหมือนที่เราคิดครับจะเป็นอะไรก็ช่างก็คือเหมือนแบบว่ามันจะไปเพาะคิดถึงเรื่องนั้นนี่ก็อยู่กับกัรรมถานของตัวเองก็พุทโธไอะไราอยกับกรรมานเนี่ยนั่งเหมือนมันก็หายไปหมดเอง้ันดีแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกถางะล้วทำต่อไป ค่ะไม่มีอะไรแล้วโอเไปที่คุณยินดีต่อยินดียังอยู่นิ่ยอร์กรือ่ป่าค่ะอยู่ค่ะท่านอาจารย์เมืองชื่อว่าอะไรเมืองใกล้ๆเมืองที่กลที่สุดานอาจารย์อะไรนะัชเบิร์ค่ะท่านอาจารย์พัชค่ะ P L A A E R P L A S p l u s e P L A W T อ่าแผบบแผนแบบค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ม, มันก็ไม่มีคำถามนะท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเมืใหญ่ไหมเมืองที่อยู่ก็เล็กค่ะข่างอาจารย์อืมค่ะเมืองเล็กแต่มันก็มีทุกอย่างพร้อมอะค่ะท่านอาจารย์เออทุกทุกแขกที่นั่นก็มีพร้ อ, อมหมดนะไมใใหญ่หรือเล็กเท่าไหรงเล็กค่ ะ, คะท่านอาจารย์แต่เวลาจะไปแอร์พอร์ตเอ่อมัน ต้องนั่งอ <ไป S 2> ีเนี้ยค่ะนั่งเปร์ี่ข้ามไปอะค่ะท่านอาจารย์ข้ามไปที่ไปเมืองหนึ่งอะค่ะไปแวนมงแล้วก็ไปที่แอร์พอร์ตค่ะ่ า, าจารย์เพราะที่นี่มันมีแอร์พอร์ตมันเป็นแอร์พอร์ตที่แบบมันมันเล็กมากลเล็กเล็อืมขึ้นไปส่นตัวขึ้นไปส่วนตัวค่ะท่านอาจารย์ขึ้นไปเล็กค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรป่าความคิดถึงและรู้สึกค่ะท่านอาจารย์แล้วปากราับท่านอาจารย์ค่ะ <c oughs> ท่าอาจาร ก็ขากคิดถึงให้คุณแฟนด้วยนะขอบคุณที่บอกซงเต้มาให้นะทั้งค่ะท่านอาจารย์เวลาเขากลับมาเขาจะถามถึงท่านอาจารย์ทุกครั้งค่ะว่าท่านอาจารย์สบายดีเหรออืมถามทุกครั้งกับเวลาเขากลับมาจากที่ทํางานค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณท่านพี่างสูงค่ะเดทชาเชื่อคุณมาลี ทนนี้กลับมาอยู่ที่มุทธกาแล้วลนะขอบคุณนะคะกลาวลงพ่อค่ะที่นครนายกมีใครอยู่ไห ม, มีแม่อยู่ที่นั่นไะมีแม่อยู่คนเดียวค่ะอ่าก็กลับไปอยู่กับแม่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้แหละใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก็จะกลับคืนวันศุกร์อะค่ะอืมดีจังหวะวันที่ที่ผ่านมามันเป็นวันหยุดหนูก็เลยกลับไปอะค่ะหนูก็ โอเคไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรห้บอกไม่มีมีคำถามค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะดีสติเยนะแล้วเข้าเข้เข้ารูเขา้เข า, า, เขาทางแล้วเรียบร้อยแล้วไปเองได้ลนะค่ะหลวงพ่อ ว, วันวันี้ค่ะวันนี้มีความสุขเป็นพิเศษค่ะหลวงพ่อมีความสุขในสมาธิแล้วก็มีสติ แต่จําวันที่ทํางานอยู่อะค่ะหลวงพ่อวันนี้วันนี้มากมากเลยค่ะหลวงพ่ออืมากพ่อเห็นได้ถือเป็นความสุขมากก็มีสติเพิ่มมากขึ้นหมายหมายตามตามที่หลวงพ่อสอนค่ะที่ว่ามีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับอะค่ะหรือกระทั่งไม่เพ้อเลยค่ะหลวงพ่อแล้วพอถึงเวลาหนูก็จะไป คือไปห้องพักของบริษัทนะคะหลงพ่อแล้วเวลานั่งเนี่ยเขาจะรวดเดียวหนูมีเวลาประมาณไม่เกินหงชั่วโมงเขาพักเที่ยงและบ่ายบ่ายโมงก็ทา ง, งานก็มีรายช่วงช่วงเดียวก็จะรวดเดียวถึงเป้าหมายเลยอย่างเนี้ยค่าหลงพ่อ mm hmm. แล้วก็เจ็บมีความสุขมากๆคะ่ะ mm hmm. ออกมาก็มองอะไรก็ดูดีไปหมดหมายถึงว่ามัน มันเห็นอะ้ร น, นั้นก็เป็นทำไปอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อจิตนั้ น, ค, ค, นคือความสดมากๆค่ะหลวงพแล้วก็ทําให้เรามีสติหมายถึงว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเดินเดินไปหรือนั่งมันก็เหมือนมีสมาธิอยู่ตลอดอย่างนี้นค่ะหลวงพ่จิตมันก็จะรวมอยู่ตลอดอยนี้ค่ะอืมนี่แหละการที่มีสติดีเนี้ยเป็นอย่างเงี้ค่ะเนี่ยฝึกสติามากๆ ค่ะหลวงพ่อแล้เวลาต้องทํางานต้องคิดใจมันก็จะต้องไปอยู่ที่งานเนี่ยนะคะหลวงพ่อแล้วเวลาไม่ได้คิดไม่อะไรก็ จ, จิตก็จะกลับมาอยู่กับเครื่องที่เราเครื่องอยู่ที่เราเราลึก อ, อยู่ภาวนาอยู่อย่เงยนะค่ะหลวงพ่อืเพิ่มเพิ่มกําลังเยอะมากๆากเลยค่ะวันนี้แบบสุขมากสงบมากค่ะดีพยายามรักษาไว<า>้ให้ได้นะอย่าให้มันหายไปให้มันไอย่ทุกวันให้มันไปางนี้ทุกวัน ค่ะพอมันเห็นเห็นผลแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อจิตใจก็จะมุ่งมีเวลามีโอกาสก็จะทําปฏิบัติพอไม่ได้คิดไม่ได้อะไรก็ภาวนาพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ดูลมหายใจไปได้ตลอดค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเห็นผลความสงบนี่ยค่ะหลวงพ่อเห็นเห็นผลวันเนี้มากมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีความสุขค่ะหลวงพ่อดี โอเคนะอาทิตย์หน้า น, นะขอบอคุณค่ ะ, ะ, ะ ค, คุณหมอสุสสกกทัศน์เจ้าเนยนามสกันนันทอาจารย์เจ้าค่ะดูไม่มีคําถามเจ้าค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทั้งการงานทั้งทั้งการปฏิบัติใช่เจ้าค่ะสามารถอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ะ อ่าดีโอเคสาธุขอบคุณค่ะอ่าคุณบานามกลับถึงเซเลอร์เมื่อไหร่กลับไปถึงแล้วยังยังอยู่กรุงเทพอยู่กลับราสักการเจค่ะตอนนี้ลูกอยู่โคาราชจ้าค่ะใช่โคราชยังไม่ไกลับยังคะ่ะพอดีว่าสามีเขากัง ว, วลเรื่องไอซ์มาลงที่พอร์ทแลนด์เขาก็เลยให้ให<ป>ลูกดูจอ เขาโทรจับถูกจับติดเขาเลยเขากลัวค่ะหนูก็เลยโอเคหนูยังไงก็ได้ก็เลยได้ได้อยู่ต่อแล้วก็ทําธุระจนเสร็จแล้วก็เสร็จกิจแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนที่ไปปฏิบัติแล้วเจอกันที่วัดยานนะคะก็เลยน้องเขาชวนไปที่วัดป่าทําบัว ทางเชียงใหม่ลูกก็เลยโอเคไปเลยค่ะอืมแสดงว่าตอนนี้หนูกลับไปที่อเมริกาไม่ได้เลยเพราะหนูไม่ได้กลับได้จริงๆเขากังวลมากกว่าค่ะลูกก็เลยก็เลจริง มันก็ไม่ได้ทําผิดอะไรใช่ไหแล้วก็มีหนังสือทุกอย่างพร้อมใช่ไหมมีเอกสารครบคร่ะแล้วก็ก็เป็น U.S. citizen มาสิบกว่าปีแล้วเป็นแล้วแต่ทําไม่เป็น U.S. <c oughs> นั่นเองนะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่เขากังวล <c oughs> ลู ก, ก็เลยเอาอยัางไงก็ได้ก็ตอนแรกเขาก็แผนจะตามมาแต่ว่าซื้อตั๋วอะไรเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วก็ไม่สบายค่ะอืก็เลยหนูก็บอกเอาเอาที่เอาที่เขาพร้อมเขาพร้อมยังไงหนูได้อย่างนั้นทุกอย่าง ก็เลยได้อยู่มีโอกาสปฏิบัติธรรมต่อแล้วก็ดูแลพี่ปานาอาที่ที่ยังอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดที่โคราชเนี่ยค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติทำบ้านให้เป็นวัดกัะหลวงพ่อได้ได้ทุกอย่างแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกที่นะที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่กับความวุ่นวายโดยที่ใจไม่วุ่นวายแล้วก็มีสติรู้สึกตัวตลอดเวลา กืจะอยู่ฟังทำตลอดอนะคะแล้วก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเดืนเดินนั่งนอนดีใจอยู่กับทำแล้วใจจะล่มยังเป็นสุขนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีพี่คนที่ที่เขาปฏิบัติอย่างนี้พอสามีพี่เขาเสียได้น่าจะสองเดือนล่าสุดพี่เขาไปบวชเป็นชีแม่ชีที่จังหวัดกระสินหนูได้ฟังแล้วหนูก็ขนลุกแล้วหนูก็บอกว่าใจเดียวเดียวดีนะ ใช่ค่ะพี่อายุหกสิบเก้าแล้วก็เขาเคยเพื้อกูหนูมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเราเป็นคนบ้านใกลก้กันแล้วพอพี่เข้าไปอย่างเนี้ยพี่หนูบอกพี่คือนี่นี่คือสิ่งที่หนูปรารถนา <c oughs> คือในอนาคตถ้าหนูยังมีชีวิตอยู่หนูอยากหนูจะทำแบบนี้ดเดี๋ยวพอแฟนหนูตายหนูก็ไปได้นะ <c oughs> คือตอนนี้ก็ปฏิบัติทางด้านจิตใจแล้วก็อ่าเรวเรียกอะรนะะเหมือนที่หลวงพ่อเคยสอนหนูว่า อ่ทําหน้าที่ทําที่หน้าที่ไปหนูก็หน้าที่ให้ดีที่สุดจ้ะค่ะหลวงพ่อแล้วยังบวชใจจ้ะค่ะหลวงพ่อไม่ทินงจ้ะค่ะสาธุขอบพระคุณในความเมตตาในทําคําสั่งอนจากพระผู้มีพระภเจ้าจากหลวงพ่อที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสาธุ่ะคุณปูเป้ตา เอาทัก3านาทีกับปู่เบ๊ะย์ <c oughs> ก, การนมัสการเจ้าค่ะหนูก็ปฏิบัติทราพร อ, อาจารย์อืมอาจารย์ครับหนูปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนแรกหนูก็ฟังทำแล้วก็สงสัยอะค่ะว่าที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยละค่ะตอนแรกอะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพยาบาลจะแนะนำเกี่ยวกับทางกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอเข้าสู่ทางธรรม มาฟังเรื่องใจเป็นนายก<ม>ายเป็นบ่าวเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เลยเกิดข้อสงสัยใช่ไหมคะมพอมาเจอเองแล้วสัมผัสเองก็เลยแบบว่าจรงิงมีจรงิงจรยงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในการมาเจอเองอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าปฏิบัติจะเห็นตัวใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายันในร่างอายเ น, นี่ปัญหาตัวที่คิดไม่ได้ตัวคิดตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่างกาย ไม่ได้ไม่แต่ตัดไม่แต่ปอดไม่ได้ตตัวพวกนี้มนไม่มันไม่รู้อะไรมันไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้เจ้าค่ะเพราะว่าเป็นพยาบาลจะแนะนําเกี่ยวกับยารักษาร่างกายไงคะพระอาจารย์อพอมาปังนใจอย่างเงี้ยค่ะเจ้า ค, ค่ะเลยคะ่ะถ้าใจทุกตรงใช้ธรรมะสดยารักษาร่างกายรักษาไม่ได้ มันก็อยาแก้ปวดหัวไปกินแก้ยาแก้ปวดเท้ามันกินไม่ได้ยาคนละชนิดกันให้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องสัมผัสเองนะคะพระอาจารย์ถึงจะเห็นเลยอย่างเงี้ยคะ่ะอืก็เลยหนูก็เลยแบบทนจ้าค่ะพระจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนที่หนูผ่าตัดเนี่ยแหละคะ่ะเรื่องผ่าตัดสมองเนี่ยแหะคะ่ะพระอาจารย์หนูได้สัมผัสตรงเรื่องนี้แหะคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลย ก็เลยเห็นว่าอกของจริงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าช่วงมันมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบปวดสมองปวดกะโหลกมากแล้วรู้สึกว่าชีพจรต่าลงต่ำลงอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยบอกคนในบ้านว่าหนูเตรียมตัวจะไปแล้วอย่างเงี้ย ค, ะคะ mm ่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ทั้งบ้านร้องขอให้ไปพบแพทย์พอหนูไปเจอหมอการหายปวดกะโหลกคะ่ะแล้วชีพจรกลับมาปกเป็นปกติหนูก็เลยบอกว่า สงสัยหนูเจอกิเลสในใจหนูหลอกอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ตรงเนี้ยค่ะที่หนูเจอปัญหาทางด้านใจหนูเองค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า oh. มันกับตอนแรกเราคิดว่าเป็นกับร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่ไปไปมาเกี่ยวกับใจผลจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสมองที่หนูปวดกะโหลกค่ะเป็นปัญหาคือค่าความเข้มเลือดามเข้มข้นเลือดมันต่าค่ะพระอาจารย์ ไปได้รับเลือดถึงดีขึ้นแต่พอไปเจอหน้าหมอกลายเป็นหายปวดกระโหลกค่ะพระอาจารย์ก็เลยตกใจตรงนี้เองค่ะพระอาจารย์เราก็เลยได้สัมผัสนี่แหละค่ะพระอาจารย์โอเคพระอาจารย์สาธุค่ะนองอซาธุธค่ะอ่าไปได้คนละต่อคนละมีคำถามไหมกราบนมัสการคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดอ่าสี่คำถามจากทาง Facebook และ y ยูทูบเจ้าค่ะ กลับนมัสการพระอาจารย์ครับการไปภาวนาจะต้องไปในที่ที่เจอความลําบากหรือครับถ้าอยู่ในที่ที่สบายจะมีสิ่งรบกวนน้อยและทําให้สงบง่ายกว่าหรือไม่ครับขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาให้ความกระจ่างครับก็แล้วแต่ที่เนี่เป้าหมายหลักของการการสถานที่ของภาวนาก็ต้องสงบไม่มีอะไรมารบ ก, กวนใจ ไม่มีเสียงไม่มีรูปเสียงอะไรต่างๆมายั่วยวนกวนใจส่วนจะสบายหรือสบายมากสบายน้อยหรือลำบากว่ากลำบากน้อยนี้แล้วแต่เจ้าสํานักเจ้าสํานักบางทีท่านเห็นว่าถ้าสบายแล้วมันขี้เกียจก็ท่านก็เลยจะไม่ทําให้มันสบายกันไปอยู่แบบทุกอย่างลำบากแล้วมันต้องลิ้นรอนต่อสู้ควาทุกอย่างลำบากนั่นแ้าแต่สถานที่มันไม่มีอะไรตายตัวแล้วแต่ ัวหน้าสำนักที่ตั้งสำนักขึ้นมาว่าท่านท่านเห็นว่าคนจะทําอย่างแบบไหนท่านก็จะทําแบบนั้นถ้าไม่ถูกกับเราเราก็ไปหาที่อื่นที่มันถูกกับเราคําถามต่อไปการทําบุญโดยทําหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานกับการบริจาคสร้างโรงพยาบาลแบบไหนจะดีกว่ากันครับมันก็ดีคนละอย่างสร้างโรงพยาบาลมันก็จะได้มี ที่รักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายให้ธรรมะมันก็เป็นเหมือนให้ยารักษาใจเวลาใจทุก์ยารักษาร่างกายมารักษาไม่ได้ต้องอาศัยยารักษาใจก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้มันก็ดีคนละอย่าง แ, แล้วแต่เราเราต้องการจะสนับสนุนทางไหนเท่านั้นเองคำถามต่อไปการที่มีบุคคลที่เรารู้จักเสียชีวิตไป ดวงจิตของเขาไปเกิดในภพภูมิใหม่เราจำเป็นต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหรือไม่ครับเขามว่าจำเป็นนี่มันก็มันก็พูดยากนะคือเราหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเขารอรับบุญร อ, องหรือเปล่าแต่ที่เขาทำกันก็ทำเผื่อไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปไปแล้วมีบุญติดตัวไปหรือเปล่าเพราอาจจะไปแบบขอทาน ถ้าเขาไ่แบบขอทานเขาก็จะมารอรับบุญที่เราส่งไปให้เขาได้แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในในสถานภาพไหนแล้วก็ทําเผื่อไว้ถ้าไม่ทําบุญเนี่ยเวลาคนตายปุ๊บก็จับเข้าเตาเผาไปได้เลยวันเดียวจบไม่ต้องมันนิมนต์ผ้าให้มาสวดให้เสียเวลาไม่ต้องมาจัดสถานที่จัดงานต่างๆแต่เนื่องจากว่าเราก็แบบว่าอยากจะใช้วการนี้สร้างบุญสร้างกุศลกันด้วย แล้วแบ่งส่วนหนึ่งก็ไปให้กับผู้ร่วมรับไปแล้วด้วยเราก็เลยมีเราก็เลยมีพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาคําถามสุดท้ายจากคุณพลังพระอาจารย์ครับบ้านผมไฟไหม้หมดเลยครับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็ไปบวชเลถ้าไม่มีที่อยู่ยไปอยู่ที่วัดได้วัดยินดีต้อนรับนะ หรือถ้าไม่เนั้นก็ต้องไปหาบ้านมาอยู่ใกล้พิจนาวทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยง ม, มีการไม่ดับเป็นธรรมดาอถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียของสิ่ ง, งต่างๆถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่ยอมรับเรายังอยากเให้สิ่ ง, งต่างๆไม่ดับไม่ไม่หายไม่หมดนะมันก็มันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันเกิดเการเหล่านี้ขึ้นมา